อาจจะต่อเนี่ยอ่พูดถึงตับนะพูดถึงตับแล้วหัวใจแล้วก็ตับทั้งผื อ, อต้องผือสิอต่อไปปีหากร์นะปีหากังมม เ, ออมมเนี่ยม้าเออม้าเนี่ยจะแก่เนื้อสันผานเป็นลิ้นอยู่ในท้องเน่ยม้ามเนี่ยมีสีแดงนะโดยสีอ่ะเหมือนผลมะเดื่อหามหามมะเดื่อที่มันใกล้จะสุกหามนี่คาว่าหามนี่ที่นั่งอมะเดื่อยังไม่สุกใกล้สุกแล้วโดยสันฐาน โดยสันถานเนี่ยเหมือนขนมชิ้นหนาที่ตักไม่เสมอแล้วนะภายในซีเผืออเพราะถูกไอร้อนเผาฮะ อ, อ๋อเปียกกลงนะไม่ใช่ป ร, รับภาษาเนี่ยปีหากลงเนี่ยได้แก่มามสันถานมันลิ้นอยู่ในท้องมีสีนินและสีคามเข้มเหมือนดอกคน ดอกคนทีสอไ่เป็นไงดอกคนทีซอเนี่ยเป็นเป็นไม้เถายืนต้นขนาดความยาวสูงราวสี่เมตรอาสัยาพาดพิงต้นไม้อื่นดอกเล็กสีม่วงออกเป็นช่อมีผลขนาดพริกไทยอย่างนั้นอันนี้อ่านไปอ่านมาก็ก็ก็ไม่รู้อยู่เดียวเดี๋ยวดูรูปรูปร่างดูนะว่าเป็นไงมัมเนี่ย ม้ามอ๋อแล้วม้ามเป็นอย่างนี้นะเหมือนลิ้นอย่างเง่ะยคล้ายๆลิ้นน่งอยู่ในช่องท้องไงอยู่ในท้องถ้าใครถ้าเห็นรูปเห็นรูปเนี่ยจะรู้นะพอดีในนี้ในหสือเหลี่มนี้มีรูปด้วยเนี่ยลักษณะเป็นเป็นลิ้นไงเหมือนลิ้นเนี่ยลิ้นที่เล้อเป็นอย่างนี้นะไม่งามจริงๆไม่งาม โดยสีก็เป็นสีนินโดยสันฐานเหมือนลิ้นลูกโคดํายาวประมาณเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วไม่ไม่มากนะโดยสันฐานเนี่ยเหมือนลิ้นของลูกโคดําเนี่ยอยู่ในช่องท้องอะ่ะม้าเนี่ยมันจะเป็นลิ้นยาวออกมาเลยอะเป็นลิ้นยาวเหมือนลิ้นลูกโคเหมือนลิ้นคนในกระต่ายมีลิ้นดํำๆอลยนะ ถ้าใครไปแลบลิ้นลิ้นบางคนไม่เหมือนกันบางคนก็ลิ้นดําลิ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันถ้าหากโดยทิศก็เกิดโดยทิศเบื้องบนนะโดยกาศกะตั้งอยู่ข้างบนพื้นท้องด้านซ้ายของหัวใจอยู่ด้านซ้ายของหัวใจหัวใจอยู่ด้านซ้ายใช่ไหม นั่นแหละก็จะอยู่ต่ำลงมาจากหัวใจหน่อยเพราะก็อยู่ตรงช่องท้องเน่อยู่ด้านซ้ายจะเวกเนี่ยต่ำหัวใจนิดมีม้ามเป็นอย่างนั้นทีนี้โดยโอกาสโดยปริเฉก็กำดนดส่วนด้วยส่วนที่เป็นม้ามอะ่ะ การกำหนดเช่นนี้เรียกว่าสภาค้าปริเฉษแล้วก็กําหนดมา้าไม่ใช่อาการ 3.2 อาการ 3.2 ที่เหลือก็ไม่ใช่มา้ามันวิสภาคะก็ให้กําหนดดูส่วนต่างกันอย่างนี้นะนี่นี่ก็เรียกเป็น เ, เรียกมา้าอาการต่อไปก็คือปอดปับขาสังเนี่ยปอดมีเนื้อปอดมีเนื้อย่อยๆอยีก 3.2 ชิ้นคําว่า ไอ้สามสองชิ้นนั่นเป็นชิ้นเล็กๆๆๆไงคือมันมองเหมือนกับตะไคร์อ่ะมองเหมือนตะไคร์เงี้ในในเนื้อป่อดเ อ, อเคยเห็นในยังไงถุงที่เวลาเขาหุ้มกันแตกเวลา ห, าหา่อของอ่ะเวลากดเนี่ยมันจะเป็นลายเล็กๆๆเป็นตะไคร์เงี้ยมันสามสองชิ้นจะเีเ้ยไม่ใช่ว่าเป็นชิ้นตัดเห็นชัดในนั้นเป็นคล้ายๆเป็นชิ้นเงี้ย ปอดจะเป็ น, นยีงงครับสามุดสองชิ้นทีนี้ในในปอดนี่เนี่ยมีสีแดงเหมือนผลมะเดื่อหามเหมือนขนมชิ้นหนาที่ตัดไม่เสมอกันภายในซสีเผือดเพราะถูกไอร้อนเผาผานเหมือนก า, กากใบไม้ที่กินและย่อยแล้วน่หารสและโอชะประเมดได้โดยทิศเกิดในทิตเบื้องบนโดยโอากาศก็คือตั้งห้อยปกคลุมหัวใจและตับอยู่เขาปกคลุมไว้ทั้งหมดในนะ โดยปริเขตก็กําหนดส่วนที่เป็นปอดกําหนดเช่นนี้เรียกว่าสภาธาปริเขตส่วนการกําหนดว่าปอดไม่ใช่การสามส่วนที่เหลือการสามส่วนที่เหลือก็ไม่ใช่ปอดก็กําหนดอย่างนี้ตรงนี้ถ้าหากให้ชัดหน่อยต้องดูรูปล่างไปด้วยเนาะดูรูปล่างไปด้วยปอดถามว่าไม่ว่าจะเป็นตับไต ม, ม้ามปอดล้วนจะเป็นที่ตั้งของโรคไลยหมดเลยนะ ประการต่อไปคืออันตังไส้ใหญ่ไส้ใหญ่ได้แก่ลำเขาบอกลำไส้ของผู้ชายยาวประมาณสามสิบสองซอกของผู้หญิงก็ยี่สิบแปดซอกสามสิบสองกับยี่สิบแปดนี่น่าจะเห็นไหมเขาไม่ได้กำหนดว่าคนสูงคนเตี้ยนะเอาว่าผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นประมาณ สามสิบสองลองคิดดูที่เอามาดึงดึงดงึแล้วมองว่าเออไส้มียาวมาั่งยาวแค่ไหนสามสองสองเนี่ยจับมุมนั้นถึงไหมเนี่ยถึงไหมฮะแปดวาเลยแปดวาได้ไหมเนี่ยห้องเนี้ยความยาวได้ไหยเกือบได้นะลองดูเนี่ยไส้เราจะลากมายาวขาานาดนี้ยน่ากลัวไหมเนี่ยแปดวาได้ใช่ไหม นี่แหละสมัยนี่แหละเอามาลากออกมาดูเลยในใจสซนี่แหละมาดูรูปจะเห็นว่ายาวจริงๆสามสิบสองศอกเขาเขาทดลองกันแล้วนะเนี่ยที่ออกมาในหนังสือเรื่องนิี่วัตร อ, อเมรก3สามสิบสองน่ากลัวจริงนะอะไรมาอยู่ในในในตัวเราเนี่ย เหมือนงูเลยแม่มาพิจารณาบ่อยๆอย่างนี้น่าจะปรงอะไรได้เยอะนะไสยย้มันมีสีขาวเหมือนกระดอกก็เหมือนเหมือนก้อนกวดขาวๆนะผู้ชายก็ยาวประมาณ 3.2 สอกของผู้หญิงก็ยาวประมาณ28ศอกขดทับไปมา21ทบเหมือนงูหรือเหมือนปลาไหลเผือกที่ตัดหัวแล้วขดไว้ในอ่างอ่ะเหมือนกัน ทับกลับไปกลับมาเนี่ยยี่สิบเอ็ดทบแล้วที่มาทําไมอยู่ได้ยังไงเพราะมันพับพับอย่างนี้พับกลับไปกลับมานี้อัดนั่นอย่างเงี้ยถ้าเรากินอะไรเข้าไปมันจะอเงี้ยอยู่เงี้ยค่ะหนกว่าจะวิ่งถึงอะไรนะสันฐานเหมือนอะไรนะสันฐานเหมือนอะไรของผู้ชายเท่าไหร่นะสาวจะจอสองศอกของผู้หญิงยี่แปดศอกนะ ขดทับไปมายี่สิบเอดทบเหมือนอะไรเหมือนงูหรือปลาไหลเผือกที่ตัดหัวแล้วขดไว้ในอ่างอะ่ะก้อยนึกอย่างเงี้ยถ้าไปเห็นปลาไหลก็ดีไปเห็นงูก็ดีนะที่ตัดหัวแหววก็เหมือนไส้เลยเนี่ยจับจากหลุมคอลงแหวะจับหลุมคอลงแหวแล้วก็ทบกลับไปกลับมากลับมาบมบมยี่บเอ็ดทบแมยิบเอ็ดทบม่ปุย ไม่รู้ทำกรรมอะไรมาทํากรรมก็มจะมาได้ไส่เนี่ยนะบาปเลยไปไหนก็ต้องเอาเขาไปด้วยนะแบกไปแบกงูแบกบแบบงูไแบบแบบปไหลเผือกเขาไหมไปไหลเผือกนั่น เ, เหมือนมัว <c oughs> แล้วถ้าถ้าเราเป็นนั่งวิจัยพิจารณาวิเคราะห์เอามาวิจัยก็จริงๆเนี่ย มันจะเหลือความงามอยู่ไหมเนี่ยมนุษย์เนี่ยเอะแล้วที่ไหนอะตรงไหนของสรีระที่มันเป็นที่ตั้งของราคะได้ว้าที่จริงมันเป็นที่ตั้งได้หมดเลยใช่ไหมถ้าเราไม่ไข้ครัวในพิจารณาใช่ไหมนี่พอไข้ครัวหรือพิจารณามันเป็นที่ตั้งของปัญญาได้หมดอย่างื่อนนึงฉะนั้นก็ปัญญาไปเจาะแทางทะลวงพิจารณาใข้ไข้ควรให้ให้ท่องแท้ต่อไปราคะจะได้ไม่ตั้ง ตะได้ไม่เป็นอารมณ์นปัจจัยแก่ราคะราคะจะได้ไม่มีที่เกิดทีนี้พอพิจารณาของตนเองอย่างไรใช่ไหมดูไม่หิธาลมเสือลมภายนอกกรเจริญกายของผู้อื่นก็ไม่ต่างกันพอพิจารณาอย่างนี้แล้วแล้เล่าๆทั้งกายภายในและกายภายนอกเป็นอย่างนี้เพอใครขควรอย่างนี้ลองคิดดูดินะเกิดความสลดสังเวชเพราสลดสังเวชตอนนียใข้ควรในการที่อยากจะออกจากทุกข์แล้ว ต่อไปจะทํากรรมไม่ขอมีไส้อีกต่อไปแล้วไส้ใหญ่นี่เป็นทุกข์มากใช่ไหมไส้เนี่เป็นที่ตั้งของชาติทุกข์ชราทุกข์มรณะทุกขนะ์เนื้อเป็นที่ตั้งของความโศกความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค่ใจเพราะการมีไส้ใหญ่นี่แหละที่เจรินาเนี้ยนะเอาไปใข้ควรเป็นทุกข์ษัตริย์ได้เนาะ ในอดีตแสดงว่าเราทํากรรมป่าถนาไส้นะี่ใช่ไหมใช่การป่าถนาโดยวรวมนี่นแหละชื่อเราป่าถนาไส้แล้วการการป่าถนาการเป็นมนุษย์ก็คือการป่าธนามีไส้ใช่ไหมใช่เนี่ยเพราะความป่าถนาเพราะความต้องการหรืเพราะความเสยเชยานอยากจะมีไส้นี่แหละเราถึงทํากรรมโอ้โหเพราะเราไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้พิจารณาว่าไส้มันไม่ดีแบบเนี้ยและไม่ เทินไส่เนี่นะโดยโอกาสตั้งอยู่ภายในร่างกายติดต่อเนื่องมันเป็นเดียวกันนะตั้งแต่ลำคอถึงทวารหนักตั้งแต่ลำคอถึงทวารหนักโดยปริเฉตกําหนดด้วยส่วนที่เป็นไส้ใหญ่การกําหนดเช่นนี้เรียกว่าสภาค่าปริเฉดะก็ไล่กําหนดไปตามลำดับส่วนกําหนดว่าไส้ใหญ่ไม่ใช่อาการสามเหตุที่เหลืออาการสามเหตุที่เหลือไม่ใช่ไส้ใหญ่เรียกว่าวิสภาค่าปริเฉตะ ก็พิจารณาอย่างนี้นะพิจารณาโดยสีโดยสัญญานโดยทิตเกิดในทิตทั้งสองโดยอากาศ ก, ก็ตั้งอยู่ในร่างกายติดต่อเปน็นอันเดียวกันเนะนึกถึงตั้งแต่ลำคอเนี่นะหลุมคอนั่นแหละจนถึงตะวนนะันหนักโอ้ใต้ใหญ่เป็นอย่างนี้ก็กําหนดปริเฉดท่าก็ส่วนที่เป็นลำใต้ใหญ่ทั้งหมดแหละกําหนดไปไล่พิจารณาไปนะถ้ามันไม่ชัดก็เอาลูกมาดูก่อนแล้วก็ไข้ควรดูเอินเป็นอย่างนี้ บางครั้งอาจจะเป็นที่ตั้งของปัญญาได้ใช่ไหมอปนาจิตอาจจะเกิดได้นีเนี่ยบางคนก็มีไส้เป็นอารมณ์ใช่ไหมพอมีไส้เป็นอารมณ์เป็นนารมณนะปัจจัยเป็นปริกรรมมณิมิตจากปริกรรมมนิมิตเป็นอุขานิมิตเนี่ยเออเป็นเป็นอุปจารสมาบริกรรมสมาธิก่อนใช่ไหมที่แรกเป็นบริกรรมสมาธิแล้วก็เป็นอุปจารสมาธิแล้วก็เป็นอัปนาสมาธิได้ชาญเลยตัวเนี้ยปฐมฌานมิตรต้นเกิดแล้ว พอได้ฌานแปลว่าไส้ใหญ่เนี่ยเป็นอารมณปัจจัยแต่อัปนาสมาธิแปลว่าปฐมฌานเกิดขึ้นแล้วถ้าได้ปฐมฌานการมาฉันทาพยาบาทฉีนมิธาอุทะจากิกุจจวิจิพิชฌะสงบเปล่าเนี่เราก็เอาตัวปฐมฌานนั่นแหละแล้วก็ไส้ใหญ่เป็นต้นนั้นนาะมาไถ้ควรมาพิจารณาด้วยความเป็นของไม่เที่ยมเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็แทงตลอดอริยสัจเป็นภาะริยารรมเห็นไห้บางคนเขาไปสายนี้กันเยอะยะ ทีนี้มาเออเรายังไม่เคยเอามาไล่พิจรารณานแน่เด็ดไม่แน่นะแค่ทำไมมาพูดติดอยู่ตรงไส้ใหญ่นานเหลือเกอินประการต่อไปก็คืออันตักคุณนางบางแห่งแปลว่าสายรัดไส้บางแห่งก็แปลว่าไส้เล็กแปลสองความหมายอันตักคุณนะในที่นี้เดี๋ยวลองลองวิเคราะห์สท์ดูนะอันตักคุณนางเนี่ยมาจากอะไรอันตังไส้ใหญ่อันตักคุณนางไส้เล็กมาจากคาว่าอันตะบวกคุณหน้านะ อันตะโตคุณังรัชภาวันติอันตะคุณังไส้ที่สั้นกว่าไส้ใหญ่ชื่อว่าอันตะคุณะเขาแปลงี้ยสั้นกว่านะไส้น้อยเนี่ยไส้เล็กเนี่ยนะหรือที่เรียกว่าสายลักไส้เนี่ยมันเล็กมันสั้นกว่าสีขาวเหมือนราก บ, บัวจงกลนีโดยสีนะโดยสันฐานเป็นสายขนดพันอยู่รอบไส้ใหญ่เหมือนราก บ, บัวจงกณีเนี่ยโดยทิศเกิดในที่ทั้งสอง โดยโอากาศก็ตั้งอยู่ติดไส้ใหญ่เป็นมัดเดียวกันเหมือนเชือกพันเชือกอยู่่นั้นว่ามีเชือกเส้นใหญ่อยู่แล้วก็มีเชือกเส้นเล็กๆพันเหมือนกันถ้าถามว่าเอ๊ะเขาสั้นกว่าทําไมเขาพันได้รอบหรือทำไมเขาพันได้อันแต่คุณน้าเนี่ยแต่เขาเขาสั้นกว่าทําไมก็พันได้เขาบอกงั้นนะี่ก็คือคือมันน้อยมันเล็กกว่านะเรื่องไส้ของคนเนี่ยนะ เวลาออกมาข้างนอกแล้วเนี่ยมันจะพองนะนันเป็นเรื่องแปลกมากมันมีคนคนหนึ่งนะไส้มันไหลออกมาพอไหลออกมาปุ๊บมันจะมันไปถูกลมที่หน้าอะแล้วมันบวมบวมบว ม, บวมงวลงไปเฉยแล้วออกมานานานี่ตายเนะยไส้เนี่ยต้องลากออกมาตายเขแปลกมากหมอเวลาก็ผ่าก็มีวิธีการของเขมันอยู่ในห้องอะไรต่างตัว เ, เนี่ยนะแต่ถ้าร้องอยู่ข้างนอกเนี่ยถ้าเกิดถูกแทงถูกอะไรก็แล้วแต่ถ้าไส้มันไหลออกมาในแป๊บเดียว เออจะมันบวมบวมบว ม, บวมไปไหมอเออตายง่ายไหมก็ไส้น้อยโดยปริเฉดกําหนดไส้ที่เป็นส่วนไส้เล็กนะกําหนดเช่นนี้เป็นสปาคะและกําหนดว่าไม่ใช่อาการสามเอชที่หรืออาการสามเอชก็ไม่ใช่ไส้เล็กนี้เป็นวิสภาคะสิบแปดอุทรยังอาหารใหม่อาหารใหม่เนี่ยนะอาหารที่กินดื่มเข้าไปในท้องใหม่มีสีเหมือนอาหารนั้นนั้นสันฐานก็เหมือนข้าวสุกมันมันจุดอยู่ในถุงบา ง, บาง เกิดในทิศเบื้องบนนะตั้งอยู่ในกระเพาะอาหารตั้งอยู่ในกระเพาะอาหารข้างนอกก็เกลี้ยงข้างในก็เหมือนผ้าหอ่หอเศษเนื้อในกระเพานะนั้นมีพยาธิอยู่32ชนิดในกระเพาะเนี่ยนะมีพยาธิอยู่32ชนิดพยาธิอะไรบ้างเนี่ยเขาเรียกหมูหนอนอ่ะนะ32ตระกะูลเน่ะมีอะไรบ้างตักโกดตะพยาธิปากขอคล้ายไส้เดือนน่ะแต่สั้นและเล็กกว่ามากขนาดเท่าเข็มหมุด ที่ปากก็มีฟันเป็นขอโค้งคมเ่ะสำหรับเกาะแล้วก็เจาะดูดเลือดตามตามเยื่ออ่อนในลำไส้ตัวเมียก็ออกไข่ได้ถึงวันละเก้าพันฟองไข่ผนออกมาก็อุจจระสามวันจะกลายเป็นตัวหนอนโอ้โหน่ากลัวไหมเนี่ยนี่เราเราเลี้ยงอะไรเ็าไว้เนี่ยสามสามสิบสองตระกูลเนี่ยเลี้ยงอะไรไว้เนี่ยฮะหนอนเขาเรียกหนอนแท้จริงคือพยาธิเลย ตประเภทที่สองก็เรียกว่าคันดุบปลาดกะมีพญาิตัวกลมรูปร่างทรงกระบอกหัวท้ายเรียวแหลมหลายชนิดนะเนี่ยคันดุบปลาดกระเนี่ยมีเขาเรียกพยาธิตัวกลมประการที่สามคือตา ร, ระรีหกะมีพญาธเสี้ยนตาลมีตัวเล็กๆตัวเล็กๆคล้ายเสี้ยนของต้นตาล น, นั่นแหละเคยเห็นต้นตาลไหมเสี้ยนพวกมัเล็กๆๆมีพญาติแบบนี้ อาการที่สี่คือสูดจีมุกมุกมุกขากะมีพยาธิตัวจีบมนนีเป็นหนอนเลยหนอนด้นก็เรียกเกิดจากการกินปลาดิบดิบกินพวกอะไรพวกแหนมเป็นต้นเนี่งนะยกมือขึ้นนี้ใครชอบกินแหนมบ้างไม่ชอบนะเชื่อไหมว่ามีของในร่างกายมีมนะพุทธญาณนี่นั่นะคนที่เขามีตาที่เป็นต้นน่นเนะ่ เวลาก็ามองมาในสรีระของเราทั้งหลายนี่โอ้โหอะไรลุกยุบยับไปหมดนะเลยกลายเป็นน่ากลัวไปเลยนะเนี่ยแต่สมัยก่อนเราไม่เรียนละเอียดแบบนี้นะถ้าเรียนแบบละเอียดแบบนี้คงจะคิดได้มากกว่านเนี้ยเนี่ยประการต่อมาคือปตะตันตุกก็คือพญาธิตัวแบนนี่เลยอันนี้ตัวตื่นนี่แหละเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยตัวเป็นป่องๆตอนหัวเรียวเล็กเข้าชขมหมดุด มีขอสําหรับดูดเกาะแล้วก็ลำตัวของมันทุกๆข้อเลยนะเออทุกๆข้อนี่มีที่ดูดหมดแล้วเป็นข้อข้อดูดอาหารจากลําไส้แต่ละป้องกระสืบพันมีใครได้เองอะ mm ่ะ hmm. เมื่อแก่เข้าหางก็ จ, จะหลุดไปเป็นอุจจาระแต่กับอุจจละทีละห้าหรือหกป้อง mm hmm. มีหลายชนิดนะตัวยาวยาวตั้งแต่สองเมตรถึงสามสิบเมตรเนี่ยตัวยาวขนาดนั้น เ, น mm hmm. เอ่ะประการที่หกก็คือจุติกาศ มีพญาเส้นได้ตัวกลมขนาดเล็กสีขาวค้ายเส้นได้หรือเข็มหมุดเออวันก่อนก็ก็เนนเนนเขาเล่าความเระไปถ่ายจ้ะเขอกมีตัวอะไรเป็นเส้นได้ก็เริ่มคิดนึงตัวเล็กๆเกขาบอกว่าแหลแล้วห น, นีๆยยายก็นึกถึงไอ้ น, นี่โอ้เนี่ยเขาเรียกสุตกะแล้วนีพญาเส้นได้ก็เลยอธิบายเนีนก็าฟังเนนก็กลัวใหญ่บอกโอ้โหทำไมไปอยู่ในท้องผมได้ไงอาจารย์เขาอกมี ก็เลยบอกว่าสามสิบสองกูลไม่ใช่กีนนี่สกูลเดียวเ็าบอกโอ้โหเขาว่าแล้วหนังสือเปิดเองก็ดูไปกลัวใหญ่เลยี้เราบอกเอ๊ก็จะทำยังไงเนียกว่างั้นลังคิดดูถามว่าถามตรงนี้นะพยาติมีขันห้าไหมมีไม่มีมีรูปขันไหมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ขออย่างเดียวเรารักขันไหนมากระวังเด้อเดี๋ยวนี้ อย่าไปปฏิสตนที่เป็นในตัวเส้นได้อยู่ในขันขันบางคนนั้นก็เคยไหมเคยอะไรอาวรขันขันไดขันหนึ่งไหมบางทีเราอะไรอาวรใครบางคนมากเนี่ยม okay. hm. okay. uh ีลูกอะไรอาวรลูกม yeah. ีสามีมีภรรยามีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีพอมาอะไรอาวรเขาเลยเกินรักเขาเลยเกินทีนี้ถ้าเขาไม่สามารถจะตั้นคันได้ในขนาดนั้นเราจะเกิดเป็นอะไรเอาเป็นพยาไปก่อนด้วยเข้าใจยังทีนี้ นั้นปฏิสนทธิเราเกิดได้หมดจริงๆลองนึกดูที่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีความอะไรวอนในขันไหนมากที่สุดบางทีไปเกิดไปอะไรวอนขันตัวเองมากที่สุดเอาอีกแล้วตายเสร็จแล้วก็นั่นแหละปฏิสนทธิในขันตัวเองในรูปอากาศนั่นแหละเป็นหนอนก่อนที่เขาจะไปเผาเป็นหนอนไปเกาะตัวเองอยู่นั่นแหละ อ, อืประหลาดแค่ตายแล้วไปมีตนเองเป็นอารมณ์แล้วก็ดันไปยินดีพอใจเี่ย ในขันต้องตนเองเอ้าวบริการเป็นหนอนเกาะในตัวเองสังสารวัตเป็นอย่างนี้อยูเพียงพ อ, ยอยงที่จะเบื่อนหน่านใครควรมากๆแล้วจะได้เบื่อนหนามีเสื้อพยาธพยาธเส้นได้ประการที่แจ่ก็คือพยาธิแทะม้านี่นะพยาธิแทะม้าเนี่ยตอนหัวเล็กกว่าตอนหางหลายเท่ายาวสี่ถึงห้าเซนิเมตรอยู่ในลำไส้ใหญ่แปดก็คือพยาธิไส้เดือนนี่เหมือนไส้เดือนดินน่ะ แต่มีสีขาวลำ ต, ตัวลาตัวก็ใหญ่หัวและหาตัวเรียวอาศัยอาศัยในลใําไส้ออกไข่ครั้งละประมาณสองแสนฟองต่อ ว, วันไข่ของเขาปนออกมาจากอุจจาระทำมีรักหนักกลมแล้วก็รีนะอะไรนะพ อ, อออกเป็นก้อนเลยใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้นนชัดใช่ไหมนี่เข้าใจใช่ไนะเข้าใจพุทธญาณของพระพุทธเจ้าหรือ ย, อยังตอนนี้เข้าใจแล้วเนะนี่ถ้าพิจารณาอย่างนี้เริ่มจะ เริ่มจะคลายความรักในตนเองบ้างไหมฮะเบื่อตายเลยให้ให้เป็นตลอดนาะก็เอาไปไข้ควรบ่อยๆตรงเนี้ยเอาไปสาทยายบ่อยๆอ่านบ่อยๆเนะอ่านอ่านอ่านเองบ่อยๆฟังแล้วก็ไปอ่านไปไข้ควรไปพิจารณาเราจะได้รู้ว่ารูปประคันเนี่ยไม่ควรอะไรอววรจริอองๆแล้วเมื่อรูปประคันไม่ควรอะไรอววรเนี่ยเวทนาสัญญาสัญขันิียานที่ เกี่ยวพันอยู่กับรูปปัจจานี้ก็ไม่ต่างกันเลยก็ไม่ต่างกันทีนี้อย่างนี้ไปต้นน่ะอาศัยอยู่กันเปลื่อนกล่นเที่ยวเที่ยวกันไปเป็นกลุ่มๆซึ่งเมื่อของกินนะมีน้ําและข้าวอาหารเป็นต้นไม่มีอยู่มันก็จะพุกพันเนี่ยนะการให้ระ ง, งมไปหมดถ้ามันพูดกันได้เนี่ยโหยร้องกันให้เรา ง, งมว่าหิวเหลือเกินเนี่ยนะร้องกันน่ะพากันตรงเข้าเล่นงานเนื้อบังหัวใจบ้าง แต่ในเวลาที่คนยืนกินอาหารน้ำและข้าวก็ไปแล้วมันก็จะพากันชูปากตาลีตาลานก็ามายื้อแย่งอาหารที่คนปืนก็ไปครั้งแรกๆอยู่สองหรือสามคำนี่เกลี้ยงเลยว่ะมันเราจินอาหารหนึ่งคำสองคำสามคำก็ไปเนี่ยมันวิ่งกันชูนั้นอาหารคําแรกนี่ที่เราจะตากนี่เป็นอาหารที่ดีที่สุดไหม <laughs> เราชอบอไหยอร่อยก็จะกินในนั้นใช่ไหม <S <S <S <S เมื่อกี้เราก็ไปเลี้ยงกันมาเลยเนาะเอาอะไรเลี้ยงเขาป่ะมูดี้นั่นก็เขาตาลีตาลาเลยเขาเพราะเขาโลภะเขาโลภเขาโกรธเขาหลงฉะนั้นอบัยสัตว์เนี่ยนะโลภโกรธหลงนี่เขารุนแรงมากเวลาเขาหิวขึ้นมาเขาไม่สนใจหรอกว่ามีกระเพาะของใครเขาไม่ใส่ใจหรอกหรือกลำไส้ของใครหัวใจเนื้อของใครเนี่ยเขาเจาะเขากัดเขาคลึงเขากินก็ป่วยนะ เดี๋ยวก็เราก็ป่วยบ้างเนี๋ยก็อาการแย่บ้างเดี๋ยวก็ตามเนื้อตามตัวต่งขึ้นอะไรขึ้นเนื้อสารพัดเนะมันแย่งอาหารเรากินเยอะเยอะก็ไอยร่างกายเราก็ซีดลงซีดลงบางคนกินอาหารได้เยอะเดี๋ยวกันแต่ก็พร้อมกระรองนั่นนะนี่เป็นอะไรนีเ่เอามาก็เป็นงย่านนั้นเจ้วก็กินได้มันพผอมหมดนีน่ีเป็นอย่าง ฉะนั้นในอุทธรในท้องก็ดุจเรือนขอดนะดุจเรือนขอดในท้องของเราเนี่ยเป็นที่ขอดของพวกกายศาสตร์พวกนี้ยเป็นเวทเกบุดีเป็นซ่วงเป็นโรงพยาบาลแล้วก็เป็นสูสารของพวกนอนพวกพญาธิเราเนี่ยในท้องเนี่ยเป็นซึ่งของกินมีน้ํามีข้าวเป็นต้นมีปรการตา่างๆถูกสากคือฟันบดจนแหลกแล้วพลิกไปพลิกมาได้ได้มือคือลิ้นคลุกเคล้าด้วยน้ํำย่อยคือน้ําลายแล้วทันที ทันใดนั้นก็กลายเป็นของกลาสจากถึงการถึงพร้อมวยสีกลิ่นและลดเป็นต้นดูประหนึ่งข้าวย้อมด้วยด้วยของช่างหูหรือเหมือนราบคือนะเมื่อกืนก็ไปแล้วก็ถูกน้ำดีเสมหะกลมกลัวเขาแล้วละเดือดขึ้นมาด้วยกำลังแผดเผาของเซโชธาตคือธาตุไฟอะ่ะในท้องอกูลไปด้วยหมูหนอนนะพวกเนี้ยพวกพยาทั้ง8ชนิดเนี้ย มีพญาติมีหมูหนอนตั้งแต่ชนิดในสกรปรกแล้วในขณะเดียวกันก็คือเขาปล่อยฟองและตอมขึ้นไปเป็นเบื้องบนเรื่อยๆถึงความเป็นของสกรปรกมีกลิ่นเหม็นหน้าเกลียดอย่างยิ่งตั้งอยู่ในท้องในอุทธร์นี่แะอุปมาเหมือนหนึ่งฝนเมล็ดหนาตกลงในในหน้าแรงซากชนิดต่างๆตั้งแต่ปัสวะอุจจาระท่อนหนังท่อนกระดูกท่อนเอ็นน้าลายน้ํามูกเรื่อยๆก็ถูกน้ําฝนพัดพาตกลงในแอ่งโสโศก ที่ทานข้าบ้านของคนยันทานประพลไป่ได้โคนบ้างได้สองถึงสามวันก็เกิดหมูหนอยปล่อยฟองและตอมขึ้นทางบนมีสีเขียวคํากลิ่มเหม็นอย่างยิ่งวะงั้นซึ่งความเป็นรูปไม่น่าเข้าใกล้ไม่น่าดูเลยตั้งอีกจะกล่าวไปยิยงถึงความเป็นสิ่งที่น่าดมหรือน่าลิ้มแม้เพราะได้ฟังเรื่องอุทธรความสิ่งที่ไม่น่าพอใจของจีนทั้งหลายมีน้ำและข้าวเป็นต้นก็เกิดเกิดได้จะกล่าวถึง ความไม่พึงพอใจว่าไนะตรงนี้ท่านก็สอนในพิจารณานะว่าในร่างกายของเราเป็นอย่างนี้เพราที่บอกว่าพวกพยาธิทั้งหลายมันจะพากันชูปากขึ้นมายื้อแย่งอาหารสองถึงสามคำแรกให้หมดไปอาหารตกไปในกระเพาะจะถูกแยกออกเป็นห้าส่วนส่วนหนึ่งพยาธิเที่ยวกินส่วนหนึ่งถูกเตโชทาดเผาผานให้ย่อย ส่วนหนึ่งหลือเป็นกากเป็นคูดเป็นอุจลาเนี่นะส่วนหนึ่งก็เป็นมูดคือเป็นน้ำปัสสาวะส่วนหนึ่งก็ไปเพิ่มโกัทาศะคือมีเลือดมีเนื้อเป็นต้นให้เจริญเนีนะนี่ก็แยกเป็นเงี้ยแยกเป็นห้าส่วนแยกใดอย่างอาหารแต่ละคำที่ทานเข้าไปเนะี่ยแยกยังไงส่วนหนึ่งเป็นอะไรนะส่วนหนึ่งเอาไปเลี้ยงพญาส่วนหนึ่งเอเตโชไอไอที่ไปเลี้ยงพญาเหตเตโชธาที่ไม่ได้ทํางานเราไปญาติเล่นงานก่อน เลี้ยงเขาก่อนเนาะสองถึงสามคาแรกๆเนี่ยไม่ใช่น้อยๆ น, น, นะสองสามคำแรกเนี่ยนะได้มากแต่ถ้ารู้อย่างนี้สองสามคำแรกกินอาหารไม่ดีดีกว่านะเอางั้นได้ไหมทํางั้นได้เพื่อนมันกินทางนั้นอะมันรู้เรื่องอะไรแล้วอะไรตกลงไปมันกินหมดแหละนี่เวลาเวลาจะฉันหรือจะรับประทานอาหารนม น, นาจิการใหม่นะอาหารอไหนที่ไม่ดีอ่ะกินอาหารนั้นก่อนพออาหารดีๆก็กินดีเลหนึ่งเลี้ยงพยา สองให้เตโชท่าแผดเผาสามเหลือเป็นอุจจระสี่ก็ไปเป็นปัสวะห้าัวนี้ก็ไปนั่นแหละไปหล่อเลี้ยงพวกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้ามหัวใจไตตับนะนั่นเลยนี่ก็เป็นอย่างนั้นนะก็แบ่งเป็นห้าส่วนแบบเนี้ยนั้นก็พิจารณาโดยปริเฉดก็กําหนดเยื่อและกระเพาะอาหารใหม่กําหนดเช่นนี้เรียกว่าสภาธาปริเฉด และกำหนดว่าอาหารใหม่ไม่ใช่อาการสามเบติเหลือฮะอาการสามสิเอติเหลือก็ไม่ใช่อาหารใหม่นี่คืออุทรยางนะอาหารใหม่ประการต่อไปคือกรยสังกรยสังมีอาหารเก่าอยู่ในลำไส้ใหญ่นะอาหารเก่าอาหารเก่าใ่หมายถึง อ, อุจจาระส่วนมากมีสีเหมือนอาหารที่กินเข้าไปสันฐานก็เหมือนที่มันตั้งอยู่โดยทิศก็ตั้งอยทิศเบื้องต่ําโดยกาก็ตั้งอยู่ในกระเพาะ อ, อุจจาระ กระเพาะอุจจารเหมือนกับกระบอกไม้ไผ่เนี่ยสูงประมาณเท่าไรแปดองคุรีอยู่ตอนล่างสุดของลำไส้ใหญ่หงเก่าเป็นอย่างนั้นแะระหว่างสะดือกัะโคนกระดูกสันหลังตอนล่างซึ่งเป็นที่ของกินมีน้ำและข้าวเป็นต้นทุกชนิดที่ตกไปในอามาสยะอามาศ ย, ยะก็ที่พักน่ะคือกระเพาะอาหารแล้วก็เดือดเป็นฟองย่อยไปเป็นเตโชาธาตในท้องนงถึงความแหลกละเอียดเหมือนถูกหินบด และเลื่อนลงไปตามโพรงลําไส้ใหญ่ไปตกทับถมกันอยู่เหมือนดินดินสีเหลืองอนะ่ะที่เขาขยําขยำเลยบรรจุลงในกระบอกไม้ไผ่เหมือนอย่างน้ําฝนที่ตกในผ้าพื้นแผ่นดินย่อมไหลลงมาทําให้ผ้าพื้นเป็นดินทั้งล่างเต็มแล้วก็ขังอยู่เช่นนั้นก็พิจารณาอย่างนี้ก็เห็นมันไหลลงไปไ น, นะไหลลงไปอยู่ในลำลำอยู่ตอนล่างของลําไส้ใหญ่ก็ค่อยไหลงไปไงั้นกาหนดได้เยอะก็เพราะอุจจาระแล้วก็ อุจลาะเนื้อปริเชิดกำหนดอย่างนั้นเป็นวิสภาสภาคะแล้วก็กำหนดว่าโอ้อาหารเก่าเนี่ยก็ไม่ใช่อาการสามสิบเอ็ดที่เหลืออาสะอาการสามสิบเอ็ดที่เหลือก็ไม่ใช่อาหารเก่าก็เห็นไหมแม้แต่ตัวอุจจาะเองเั้นพระพุทธเจ้า ก, ก็สอนให้เอามาไข่ควรมาพิจารณาก็เวลาไปเข้าห้องน้ําก็ก็ดูเขานานๆหน่อยเนาะเพื่อจะได้พิจารณาใช่ไม่ใช่ ก็เราไม่เห็นใช่ไหมแต่จะเดีวอ๋อกินอาหารเข้าไปวันนี้เป็นสีแบบนี้วันนี้เป็นสีแบบนี้แ ต, แต่ทางโลกเขาเขาไม่ให้เขาไม่ให้เอามาคิดนะทางโลกก็ไม่สอนให้อุจจารมาคิดนะแต่ทางธรรมนี่สอนให้อุจจารมาคิดมาพิจรารณาอายี่สิบมันสมองบางคนบอกโอ้ยโล่งใจเลยคนเลยใช่ไหมดูที่ไหนแม้ไหนก็โลกสีสาะนี่ก็ยังไม่ไ ม, ไม่พ้นอย่างมันสมองใช่ไหม มันสมองเนี่ยนะเป็นส่วนที่สูงเนี่ยนะมันสมองอยู่ในกะระโหลกศีรษะมีสีขาวเหมือนดอกเห็ดหรือเหมือนนมสดมันสมองปเป็นอย่างนี้นนะแล้วก็เนื้อเยื่อตั้งอยู่ภายในกะรกะโหลกศีรษะสีเขาเหมือนอะไรสีเป็นสีขาวนะสีขาวเหมือนด อ, อกเห็ด ห, หรือนมสดโดยสันญาณละ่ะเหมือนที่มันตั้งอยู่โดยทิศก็อยู่ในทิศเบื้องบนโดยโอกาสก็ อาศัยแนวประสานสี่สี่แนวร่วมตั้งอยู่ในกระโหลกศีรษะเหมือนก้อนแป้งสี่ก้อนตั้งรวมกันเข้าไว้เหมือนก้อนแป้งสี่ก้อนตั้งรวมกันเข้าไว้อันนี้วันก่อนก็ไปดูหมอหม อ, หมอก็ผ่ากะโหลกศีรษะคนตายนี่นะเขาใช่เรื่อยผ่าตัดก็เลยไปดูหน่อยก็ทํำไงไอความที่เอ๊อเราศึกษาได้แต่ตำราไหมขอดูหน่อย เขาก็พาให้ดูแต่ก็ต้องอะไรปิดนะเราก็ต้องปิดเข้าไปเป็นเมตรโอ้โหกระโหลกคนนี้แข็งมากอแข็งจริงๆขนาดใช้เรื่อยดำกากกักกักเรื่อยคือคือคือเขาเรื่อยแล้วแต่อุปกรณ์หมอก็ดีนะคมมากเรื่อยเขาหรืออุปกรณ์พวกแล้วเขาใช้ได้ตอกตอกมินสิวต่อแล้วก็เครื่องเาตัดได้ดีมากเลยเขาจะตัดนี่ยตัดตัดเสร็จสร็จก็งัด งัดเอาออกมาแล้วก็อธิบายอ๋อเป็นนี้เองกระโหลกมันสมองเป็นแบบนี้ไม่รู้ทำกรรมอะไรมาป่าถนานไหมป่าถนาสิ่งที่เร้ไม่น่าไม่น่าดูเลยนี่มันสมองก็ก็มาพิจรารณาอย่างนี้นะนี่นี่เป็นธาตุดินยี่สิบประการต่อมาก็คือธาตุน้ำปิดตังน้ำดีเนี่ยน้ำดีมีสองชนิดน้ำดีที่อยู่ในถุงมีสีเหมือนมะขามน้ำมันมาจางคน น้ำดีที่อยู่นอกถุงก็เหมือนกับดอกพิุณแห้งสองอย่างนี้นะนี่โดยสีเร็วๆเลยเนาะโดยสันฐานน้ำดีสองอย่างมีสันฐานที่มียตั้งอยู่มีสันฐานเหมือนที่มันตั้งอยู่แล้วก็โดยโอกาสน้ำดีที่อยู่ในถุงตั้งอยู่ในถุงน้ำดีเหมือนฝักบวบใหญ่ตั้งติดอยู่ที่เนื้อตับ ระหว่างหัวใจกับปอดเมื่อน้ําดีกําเริบจะทําให้เป็นบ้ามีจิต บ, บุบประลาดละทิ้งฮิลิโอตาปะทําสิ่งที่ไม่ควรทำเก่าวทาที่ไม่ควรเก่าวคิดสิ่งที่ไม่ควรคิดก็วันนี้เราก็ยังมองหน้ า, นากันมองหน้ากันได้เนาะก็พูดจากันยังรู้เรื่องอยู่เพราะอะไรยังไม่กําเริบรู้ไหมน้ําดียังไม่กําเริบแต่วันใดวันหนึ่งน้ําดีกําเริบแล้วจะมีใครมาคุยกับเราไหมเนี่ย ที่อไหมว่าบางคนเนี่ยนะบางคนก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยเขาจะคุมความคิดตัวเองไม่อยู่อยู่แล้วมีคนนึงก็ไปหาอาตมาที่วัดใช่ไหมแต่ก่อนก็เคยบวชเนร อ, อยู่อาตมาก็จําไม่ได้เี๊เขาก็มานั่งคุยคุยปกตินี่นะเป็นเด็กไปออายุ ป, ประมาณสั 21, กยี่สิบเอ็ดยี่บสองอ่ะพอเล่าไปเล่ามาอาตมาก็จําได้โอ้แต่ก่อนเขาบวชเนอนอยู่ด้วย ก็มาเล่าให้ฟังเล่าไปเล่ามาอาจมาเออดีแล้วเขามาอยู่ไทยไอาจารก็บอกเอองั้นเองก็พักที่นี่แหละประงนั้นเนี่ยเดี๋ยวกก็ไปเดี๋ยวไปกลับบ้านอัจาบอกอ่ามัวก็กที่นั่นถามว่าจะพักข้างบนหรือข้างล่างดีเขาบอกว่าพักข้างล่างน่ะในกุนเนี่ยต้องกาพักข้างล่างอามาก็ขึ้นพอเราสักประมาณสองสามทุ่มอาจารย์มาขึ้นข้างบนเขาก็พักเอทีนี้พออาจามาลงมาเข้าห้องน้ําตอนประมาณสี่ทุ่มกว่ก่อนจะเข้านอน สมัยละดูก็หน่อยเอ๊ะมองไม่เห็นแต่และเอ๊ะเขาชื่อเจอ้าชายไอ้ชายหายไปไหนเปิดไฟก็ไม่เจอเ้าไปอยู่ข้างนอกนอกกดนะี่ถามชายมำไ ม, ไมนอนข้างนอกเนี่ยเขาบอกไม่ได้ราะว่ามีคนมากระซิบบอกอแม่เขานอนดีตรงเนี้ยเห็นไหมเฮ้ยไม่มีเขามานอ น, นขัางในสิเขาบอกไม่ได้หรอกมันเววเววที่หูเขาเนี่ย ว่างั้นมกษิศบอกว่าให้นอนข้างนอกไม่น้อยข้างใน <c oughs> จะมาจะบอกเอ๊ยอยังไงวะคุยไปคุยมา เ, เข้ามาข้างในคุยเขาก็ไม่ยอมเข้าเกาจะนอนเนี่นอนนอนหน้ากุดข้างนอกที่ไม่มีข้างนอกเลยใต้ต้นใต้ ต, ตอตะโขกอะไรต้องลานหินเนี่ย <c oughs> เอ๊ะเฮ้ยอมงก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเขาบอกมีคนบอกเข า, าห้ามกลางม้งด้วย <c oughs> นอนแบบนี้ <c oughs> เอ๊ะคุยไปคุยมาเขาบอกมันเมี่ยเขาว่า อาจารย์รู้ไหมว่าตอนนี้เขาจะคุมตัวเองไม่อยู่แล้วก็บางทีเขาอยากจะเดินแก้ผ้าแล้วบอกเอาเัวเองบ้าใช่บหมเนี่ยก็เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยที่เขาเป็นอย่างนี้เพราะอาจารย์นี่แหละก็วา่าบอกเอาอจีนนะอยากรู้ก็ายุ่งแล้วเนี่ยถามเป็นแน่เขาบอกตอนนั้นตอนเขาจะศึกเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วทำไมอาจารย์ไม่ห้ามเขาเออไม่เป็นไรผิดไปแล้วก็พยายามใย้วยก็ไม่นอนข้างนาั้นตะกลอกแมงม้มาเนี่ย น้ำดีกำเริ่มไมคุมตัวเองไม่ได้ไอพวกน้ําดีกําเริ่มใครเคยเป็นบ้างไหมบางครั้งบางครั้งคุมความคิดตัวเองไม่ได้เคยเป็นไหมมันจะคิดเนี่ยห้ามไม่คิดมันก็จะคิดมาไปเพราะเพะพราะเคุมไม่อยู่เคยเป็นไหมเนี่ยน้ําดีเริ่หมอกฤติเลยลเลยนะี่ยวันนี้ยังดีอยู่นะเรียบเจริญกุศลอะไรได้จเจริญเนี่ยถ้าหากวันใดวันหนึ่งนะทุกคนมีน้ําดีหมดใช่ไหมยะมีน้ําดีหมด แล้วน้ำดีเนี่ยถามว่าปิดตังเรื่องน้ําดีเนี่ยเกิดกี่สมุธฐานสี่สมุธฐานเกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารทีนี้สมมติว่าเอาแค่ว่าปัจจุบันนี้ก่อนอุตุและอาหารที่เป็นปัจจัยให้น้ําดีมันมีปัญหาขึ้นมามันก็มันก็เพี้ยนด่งโดยเฉพาะจิตเนี่ยนะจิตเราเมื่อโกรธมากๆโลภมากๆหลงมากๆอะไรเนี่ยเป็นเหตุทำให้น้ําดีกระจายมายุ่งเนี่ย ไอติดน่ากลัวที่สุดคืออะไรไม่ก่ำในดีบอุศโรกรรมในดีบไม่รู้ว่ามันจะมาขับเคลื่อนน้ำน้ำดีของเราจะมีความวิบัติเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ฉะันด้านน้าดีกําเริบเมื่อไหร่เป็นบ้าจิตวิปลาสทีนี้ทําทุกอย่างได้หมดให้สังเกตเราเราเห็นคนที่ที่เราเรียกว่าเขาไม่เต็มเนี่ยใช่ไหมบางครั้งก็เกิดจากจิตบางครั้งก็เกิดจากอุตุบางครั้งก็เกิดจากอาหารบางครั้งก็เกิดจากก่ำนั่นตอนนี้น้ําดีเรามีแล้วใช่ไหม กรรมในอดีตเราก็ได้ทําไว้ทั้งดีและไม่ดีถ้าอากุศลกรรมให้ผลเมื่อไรทําน้ําดีให้แปลปวนเมื่อไหรเป็นไงตอนนี้จากลูกพูดดีเนี่ยก็กลายเป็นคนป้าๆเบื่อๆได้ไม่แปกเลยในโลกแบบนี้ยเราเคยเป็นมาหมดถ้าจะกลับไปเป็นใหม่ถือว่าแปลกไหมไม่แปลกนะแต่อย่าทุ่นเป็นเลยนะแต่ก็อย่าเพ่งไปเป็นเ น, น, นี่ยมันมันเนี่ยสังสารวัตรมันเป็นแบบนี้นะ่ะ ตราบใดที่เรายังคบกับ น, น้ำดีอยู่นี่นะสักวันหนึ่งมันก็วิปริตก็ตอนนี้ตอนนี้น้ำดียังไม่วิปริตนะยังพอที่จะเจริญสีนสมาธิปัญญาได้ก็ริบเล่งเล่งนะรีบเจริญทานกุศลสีนกุศลภาวนากุศลก็เร่งเร่งนะส่วนน้ำดีเนี่ยนะ ส่วนน้ำดีที่อยู่นอกถุงเว้นผมขนเล็บฟันและกนหนังที่แห้งกระด้างแล้วน้ำดีจะเอิอบอาบซึมซาบอยู่ทั่วไปในสรีระที่เหลือเหมือนกัะหยาดน้ำมันที่ปนในน้ำอาบซึมไปไปเชนะนเนี่ยเมื่อน้ำดีนี้กำเริบจะทำให้ตาเหลืองวินเวีย น, นศีษะร่างกายงวนเย็นคันไปทั่วสรีระเคยเป็นไหมล่ะถ้าพูดอย่างงี้ธมานี่เคยเป็นบ่อย ้คนเป็นโรคไตเนี่ยนั่นดีนอกฝักมันกาเริบคันไปทั่วยังนอกไ ป, ปไหมตามตัวก็คันคันเดี๋ยวก็คันตรงโน้นตรงนี้แห้งไปหมดแหละฮะนั่นแหละมันเริ่มแต่ยังไม่ถึงอนาตาเหลืองนะตาเหลืองแล้วก็ตาเหลือง ว, วิงเวียนศีรษะร่างกายงอเย็นคันไปด้วยเนี่ยเขาเรียนอกฝักมันกําเริบ น่ากลัวนะตอนนี้เราเอาเรื่องนี้มาสาธยายมาใครกวรมาพิจารณาดูแล้วนั่นเขาเรียกว่าน้ำดีมันกำเริบกำเริ โดยปริเชตกาหนดในส่วนที่เป็นน้ําดีนะการกําหนดในลักษณะนี้เป็นสภาค่าปริเชตแล้วก็ว่าไม่ใช่อัการสามเอทีหรืออาการสามเอทีเหลื อ, อ, าาม อ, ลอไม่ใช่น้ําดีก็เป็นวิสภาค่ไปยี่สิบสองเสื้มหังน้ำเสลดเสมหะหรือหรือเส็ดนะก็มีประมาณหนึ่งกรอบมือเนี่ยแหละเสมหะในร่างกายมีประมาณหนึ่งกรอบมือสีขาวเหมือนกับน้ําน้ําคั้นน้ําคันน้นใบแตงหนูไม่รู้เป็นยังไงน้ําคั้นใบแตงหนู มีกลิ่นหอมเย็นผลสุกคล้ายก่ละมุตไทยแต่เล็กกว่านิ้วมือรสหวานว่าไงสเลเนี่ยนะสันฐานก็เหมือนที่มันตั้งอยู่ในทิศเบื้องบนตั้งอยู่ที่เยื่อกับพาะอาหารเวลากลืนน้ำและข้าวลงไปเสมหาก็จะแยกออกจากกันแล้วก็จะปิดตามเดิมเหมือนจอกแหนก็คอยอยู่ตามลำไส้ตามกระเพาะนั่นแหละเมื่อไม่มี เมื่อมีไม้หรือกระเบื้องตกลงไปใช่ไหมจอกแหน่งต่างมันก็นั่นเวลามันสักพักหนึ่งก็ปิดหุ้มตามเดิมไอเสีมหาก็เป็นอย่างนั้นคนมีเสีมหาน้อยก็มีกลิ่นกลิ่นของซากสัตว์ต่างๆที่ลงไปในกระเพาะมันก็จะเหมือนกับหัวฝีที่แตกหรือไข่เน่าที่มันแตกกลิ่นมันเหม็นก็จะพุ้งจากกระเพาะอาหารเลิกมาต่งตางๆก็จะมีกลิ่นเหนม็นเหมือนซากสัตว์ตายเน่าอันนั้นแปลว่านั้นคนที่มีกลิ่น กลิ่นปากแรงๆเนี่นะว่งบอกว่าเสมหาน้อยปริมาณเสมหามันมากเนี่ยเวลากินอาหารเข้าไปปุ๊บมันจะปิดเนะมันก็จะปิดมันก็จะไม่ทําให้มันกลิ่นทั้งตากมันมันฟุ้งขึ้นข้างบนมากนะมันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะนะแต่ถ้าหากว่าเสมหาน้อยก็ก็จะเหม็นก็ก็ต้องล้างกันอยู่ตลอดเวลานี่แหละอะ บางคนก็ถึงขนาดลนลงค์กันว่าอย่าไปกินพวกเนื้อพวกอะไรมากวังางั้นนะเดี๋ยวกลิ่นมันจะเหม็นมากไปก็พยายามรักษากันไปนี่ก็เป็นปลายเหตุใช่นะแต่ถ้า เ, าเอามาใข่ควรพิจารณากาหนดสัจจะในสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้พน้นทุกข์เสได้ต่อไปไม่ต้องมีกลิ่นเหล่านี้แล้วพ้นได้ใช่ไหมประการต่อไปคือปูโพน้าเหลือง น้ำเหลืองเนี่ยและน้ำหนองเนี่ยมีสีดังใบไม้เหลืองๆในร่างกายคนตาจะมีเสียงสีเหมือ น, นไอข้าวคนที่บูดสันธารก็เหมือนที่มันเป็นอยู่ทิศทั้งสองนะบ่วงบวงและเบื้องล่างโดยทิศโดยกายก็ไม่ได้ตั้งอยู่โดยปกติต่อเมื่อถูกฝากน้ำที่ทิ่มแทงหรือถูกน้าร้อนลวกหรือถูกไฟไหม้ไปต้นเมื่อโลหิตห่อขึ้นน้ําเหลืองก็จะก่อตัวขึ้นในที่นั้นและก็มีฝุยเป็นต้น่เกิดขึ้นในที่ใดน้ําเหลืองก็จะเกิดในที่นั้น ให้สังเกตุตรงนะ้นว่าตุ่มใหญ่ๆขึ้นมาหน่อยเป็นคล้ายปุ๋ยไอ้น้ำเหลืองมันจะมาแล้วก็เกิดตรงนั้นแหละกําหนดโ ด, ดยส่วนที่เป็นน้ําเหลืองโดยสภาคะปริเฉทาแล้วกำหนดโ ด, ดวยวิสภาคะก็คือไม่ใช่อาการสามเดือนที่เหลือต่อไปก็กโลหิตโลหิตี่มีสองชนิดเลือดเนี่ยนะโดยตังเน่ะเลือดที่ขังอยู่มีสีดังน้ําขั้งข้นที่แก่ไป เลือดที่ไหลหมุนเวียนก็มีสีดังน้ำข้างใสเลือดมีสองชนิดว่างั้นนะนะชนิดที่ไหลหมุนเวียนตลอดเวลากับชนิดที่อยู่นิ่งๆอันนี้ก็ก็เพิ่งรู้นี่นะก็เป็นเรื่องแปลกดีโดยสันญาเลือดนะนะั่นเน่ะเหมือนที่มันตั้งอยู่เลือดที่ขังอยู่เกิดในทิศเบื้องบนเลือดที่ไหลเวียนเกิดในทิศทั้งสองตั้งอยู่ท่านไม่ได้บอกวกนะ็อยู่ตรงไหนไม่ได้บอกว่า แล้วก็โดยโอ ก, โโอกาสก็คือเลือดที่ขังอยู่มีประมาณหนึ่งบาทขนาดเล็กตั้งอยู่เต็มฝายใต้ที่ตั้งของตับค่อยๆไหลไปสู่ตับไตหัวใจปอดให้ชุ่มอยู่เสมอถ้าไม่เช่นนั้นจะทําให้มีอาการเ ห, อเหือดกระหายเลือดที่ไหลเวียนไปตั้งแผ่ไปทั่วอุปาทิณกาศรีระทั้งเส้นไหลไปตามเส้นโลหิตเว้นเส้นผมขนเล็บฟันและก้อนหนังที่แห้งกระด้าง สแสดงว่าเลือดนี่มันไหลไปทั่วนั่นในสตรีลาในร่างกายนะไหลยอยู่ตลอดเวลามีอยู่ครั้งหนึ่งไปฟอกเลือดนะไปฟอกเลือดเนี่ยเขาจะดึงเลือดออกมาเนี่ยดึงออกมาแล้วกระยามันจะมีไอ้ไส้กรองใช่ไหมไอ้ไส้ที่ที่ที่เลือดเข้ามาในนั้นในในในตัวไส้กรองมันเนี่ยไอตัวที่กรองเลือดเนี่ยมันจะมีน้ํายาอยู่นะมันไปมากรองกรองก็ดู นี่พอสักพักหนึ่งผลปรากฏว่าไอ้ไส้กรองเนี่ยผลส่วนน้ํายามันแตกเรียบร้อยเลยตอนนี้ยเครื่อง เ, เขาวิบัญหาเขารีบมากลัดเลยกลัวว่าไอ้น้ํายาไม่จะไหลเข้าร่างกายหรอมันแตกผลปรกากฏเนี่ยเลยต้องยกไส้กรองทิ้งหมดเลยไอ้ผลปรากฏไอ้คนที่ฟอกเลือดเอนี่ยเลือดมันน้อยอยู่แล้วใช่ไหมนี่ยกยกเลือดออกออกหมดโวลุกยุกแทบไม่ไหวเลยตอนี้ที่หมอเขามาอยู่ตีนนี้จะ ท, ทําไงดี นี่พยาบาลคนที่ทํามันโหจแบบนี้มันรีบหลบนะหลบหน้าเลยอมาหลบไปทำไมไม่ต้อหลบนี่โกรธเลยใช่ไหมไม่ได้เป็นคนเขาไม่ได้ไปตั้มใจก็เลยเล่าให้ฟังเดี๋าว่าใจแบบนี้เลยก็เล่าให้ฟังว่าเล่าให้ฟังเรงหมอผ่าตัดผ่าตัดแล้วผิดพลาดคือผ่าตัดแขนเนี่ยผ่าตัดเส้นแขนเนี่ยพราะผ่าตัดแล้วก็ใส่เส้นเทียมเข้าไปใช่ไนี่พอใส่เส้นเทียมวันนั้นน่ะก็บอกหมอหมอก็บอก ทำไมผ่าตัดห้องผ่าห้องห้องผ่าตัดเล็กแล้วทำไมไม่ไปห้องผ่าตัดใหญ่ก็ไะมหมอไม่มีปัญหาหมอก็บอกเขาชำนาญอยู่แล้วหมอจงบาลยืนลานก็บอกอ้ก็ ไ, ได้ไม่มีรายท่านเดี๋ยวผ่าตัดเสร็จเรกลับบ้านได้ไ ม, ม่อะไรแล้วเรื่องง่ายๆก็ไหมแต่ในความรูสึกอ่ะเอกเอไม่ไม่ง่ายงานเนี้ยดูแล้วไม่น่าง่ายแล้วเพราะอาณมาเนี่ยจะรู้ตัวเองอยู่ว่าถ้าทําอะไรแล้วจะต้องมีอักขระกรรมประเภทนี้มาแทรกทุกครั้ง มนเรื่องปกติทําเป็นชิ้นแล้วคือถ้าทําเล็กจะต้องเป็นใหญ่ถ้าทําเรื่องใหญ่ธรรมดาต้องเป็นใหญ่มากเหมือนใช้กายอย่างนี้เลยอันนี้เป็นเรื่องปกติซึ่งคล้ายๆว่าอุตสาห ก, กรรมมันรออย่างหวายเยอะเอาเอประโยคารผิดพลาดอะไรหรือเกิดนั่นอะไรเล่นงานนั้นดีมีหมอเขาก็ประเภทที่ผาตัดไปเ้าก็บล็อกแขน น, นแค่เพราช่วงแขนนั้นก็คุยเรื่องนั้นดีก็ร้องเพลงทํางานก็ไปเรื่อยหมอเป็นธรรมชาติเขาใช่ไหมเราก็กําหนด กรรมฐานในไต่างเขาใ น, นของเราไปสักพักมันก็เอ๋อไอ้นี่เขาให้พยาบาลหยิบดิบไอสายไอ้อที่ว่าเส้นเลือดเทียมเข้ามานี่เขาก็บอกเออให้เอาแบบอย่างดีผลปรากฏไม่มีพาไปแล้ว น, วนะอาการเส้นเลือดไ ม, ม่นี้นี่พอไอ้แบบอย่างดีไม่มีก็เอาแบบไอ้ที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังมั้ยนี่เขาใช้ไปภาษาพูดเลยเรารู้แล้วเนี่ยอย่างยัก็นึกอันารย์มาก็นึกเลยเนี่ยเห็นไหม แต่หมอยังไม่รู้ตัวนะว่าเรียบร้อยแนนอนงานเนี้ยแต่มาเปนนึกแล้วแล้วภาพมันก็เย็บพอเย็บเศษ็จพอผ่าแล้วเย็บเรียบร้อยท่านไม่มีปัญหาบประมาณนันน้อั น, นี้มาไม่ค่เดี๋ยวเดี๋ยวก็มีปัญหาพอเย็บปืดนิดเดียวเสียงมันแตกเส้นเลือดแตกแล้วเลือดก็พุง่งเป็นที่อะไรเดี๋ยวนี้มแบบานังเย็บในใจหมอวิ่งกันใช่หุ่นไม่อยู่แล้วแตกสองครั้งเลยไม่ได้เรื่องแล้วไอ้ที่ใส่เส้นเลือดฉันก็ไม่อยู่ เสียงด่าพยาบาลใหญ่เดี๋ยวนี้มาก็เลยบอกว่าไปด่าเขาทำไมมาบอกแล้วบอให้เข้าห้องผ่าตัดใหญ่ถ้ามารู้เดี๋ยวี้แรกแล้วเนี่ยสงสัยต้องนอนโรงพยาบาลแน่ด้านหนึ่งใหญ่ห น, ๆๆนอนโรงพยาบาลไปนอนไอ้มาเอ๋ไอ้มามันนึตรกตะกุศลกลรมเนี่ยเล่นเล่นเราแรงมากไม่เพียเข้าห้องผ่าตัดใหญ่ พอไปผ่าตัดใหญ่ก็ไปผ่าอย่างเดิมนย่าเผลปรากฏไม่ได้อีกแต่อีกหมอเลยท่านท่านสงสารท่านเลยจนขอวางยาสลบท่านเลยนะบอกว่าวางก็วางวางยาสลบผลนปรากฏยาวผลนปรากดอะไรไรูไ้ไม่เดือนอย่างเงี้ยผ่าแขนเดือนเรื่องที่จะควรจะผ่านิดเดียวแล้วกลับบ้านเนี่ยแต่ต้องเดือนและเดือนนึงต้องอยู่อย่างเงี้ยต้องต้องต้องงอแขนไม่ได้เดือนนี้หมอเขาบอกว่า ถามจิงท่านมีของดีอะไรก็บอกบอกเออหมอมพูดเรื่องของดีได้ไงนี่มันเรื่องของดีไม่ใช่เรื่องการเป็นการตาย น, นี่เป็นเรื่องแปลกมากเขาเนี่ยทําอะไรกันเนี่ยเขาไม่ค่อมีอุปสรรคอาตมาเนี่เป็นเรื่องแบบนี้ตลอดถึงบอกว่าโอ้เรื่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเรื่องตายดีคล้ายๆว่าอากุศลรกรรมมันจะไม่ให้โอกาสเลยใช่ไหมแต่กุศลกรรมที่เคยกระทําไว้แล้มันก็พยายามที่จะช่วยตลอดนะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิต นั้นเวลาเห็นคนเจ็บเห็นคนป่วยหรือตอนเองจะต้องเป็นการเข้าโรงพยาบาลจะต้องฉีดหรือมีเครียดใหญ่ใดต่เกิดขึ้นเนี่ยบอกในตั้งน้องมตามสบายเพื่อนเอ า, าให้กรรมเนี่ยมันเป็นมรดกของเราเป็นทายาทใช่ไหมเป็นทรัพย์ของเราที่แท้จริงเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วทำไมจะเกิดจะทำไงได้จะแก้ไขได้ในชีวิตก็พยายามเพียรพยายามดีให้ดีที่สุดจะไมันได้แคนะ่นั้นบางคนเนี่ยเคยเล่าเล่ า, ลาคนบางเขาอกโอโ ท, ท่านอย่าเล่าหนาวเลยพอฟั ง, งแล้วหนาวแล้วกลัวจริ ง, ร ง, รงๆว่มันก็ก็นี่แหละอาคุรกรรมเป็นอย่างเนี้นตอนตอนที่กระทําไว้ใช่ไหมตอนที่กระทําไว้เนี่ยมันก็นทําอันนี้ถือว่าเป็นเป็นกรรมที่ไม่ให้ผลในปฏิสนธิการนะนี้เขาให้ผลในประวัติการอย่างขนาดนี้ถ้าเขามีโอกาสเมื่อไหร่แล้วก็ผลิตวิบากในปฏิสนธิการเมื่อไหรก็เรียบร้อยก็ บางคนก็ไปนั่งร้องไห้โอ้ยท่าบวชมาตั้งนานไม่น่าเป็นธรรมมามันน่าเป็นนะ่ะถูกแล้วยังไงที่มันน่าเป็นเนะี่ยมันถูกแล้วเรื่องกรรมเนี่ยมันไปกําหนดกันไม่ได้มันเป็นบางคนแม้ยอมพ่อบอกมายอมพ่อไปไปไปเหตุดูแล้วก็บอกทําไมไม่เกิดกับแจนในทํานองนั้นใช่ไหมเออทาไมต้องมาเกิดกับท่าด้วยเราต้องเรียกดียวมาสอนอีกแล้ว ไอเธอเด็กก็ป่วยแย่แบบแบบต้องเรียกยอมพ่อยอแม่มันนั่งเดือยวอธิบายเงี้ยังแกก็ฟังแบบตาเลยร้อยอ่ะถ้าภาษานักมวยว่าแกคนจะถูกนอกไอ้คนต่คือก็ฟังแล้วแกแฟังแบบไม่เข้าใจเราใช่ไหมไอเราก็บอกไอย้อยอมเด็เดคิดอย่างนั้นได้ไงแกจะมีความคิดบอกว่าลูกเนี่ยต้อง้ายที่หลังพ่อและแม่แต่มาก็าบอกอย่าไปคิดอย่างนั้นยอมไม่จะเป็นผู้กำหนด แต่กรรมดังหาเป็นตัวกําหนดใช่ไหมเราไปกําหนดเงินได้ยังไงนี่พูดถึงโลหิตไอ้ลโลหิตเนี่ยมันเป็นอนาาุตางิงเนาะมันคับไม่ได้ามันอยากจะไหลออกจากร่างกายเมื่อไหร่มันก็ไหลมันอยากจะไหลออกจากร่างกายเมื่อไหร่ก็ไหลใครเคยใครเคยเจอเคสหนักๆบ้าง เ, เคยไหมยังไม่เคยเจอตัวนนเนาะอยาก ธาะการต่อไปก็คือเสถโทกึเงือ่เงือ่นะอาโปธาที่ไหลออกจากตามรูผมและขนมีสีเหมือนน้ำมันงาใเนะแล้วก็เหมือนที่มันตั้งอยู่โดยสันฐานโดยทิศก็คืออยู่ทิศทั้งสองทั้งหมดนะทั้งเบื้องล่างเบื้องบนโดยกายก็คือที่ตั้งของเงือไม่มีอยู่โดยปกติเหมือนโลหิตต่อเมื่อร่างกายร้อน พบความร้อนเนะ่ยนะด้วแสงแดดเป็นต้นเหรอเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลง <c oughs> การเปลี่ยนแปลงของอุตุเหนือก็จะไหลออกจากรูขุนุมขนต่างๆนะเหมือนสายเบัวบัวเมื่อถอนออกพ้นน้าแล้วจนลากจนเง่าขาดน้ําก็จะไหลออกอย่างค่อยๆไหลออกมา <c oughs> กเหนือก็เหมือนกันเมโทนี่มันข้นสีก็คือจัดเป็นน้ํามันแต่ก็มีหน้ารังเกียจอย่างยิ่ง จึงไม่มีผู้ใดนํามาใช้ทาศีรษาให้มันข้นเอามาหยอดจมูกก็ไม่มีมีสีเหมือนขมิ้นแหละมันข้นเนี่ยถ้าแต่จริงๆนะไม่เคยมีใครผลิตเอามันข้นของมนุษย์เนี่ยนะมาทําเป็นยาสระผมเอายาหยอดจมูกไม่มีใครมาทํเจ้าเมียสันธานก็ผู้ที่มีร่างกายอ้วนมันข้นกับสันธานเหมือนผ้าทุ ก, กูลสีขมิ้นเก่าตั้งอยู่ในระหว่างหนังกับเนื้อ ถ้าร่างกายผอมก็มีสันฐานเหมือนผ้าทุกูลสีขมิ้นเก่าที่ซ้อนกันสองสามชิ้นตั้งติดอยู่กับเนื้อแข้งเนื้อขาเนื้อหลังติดกระดูกสันหลังแล้วก็เนื้อท้องน้อยก็เวลาจับท้องจับหลังจับอะไรก็บอกว่าเนี่ยมันข้นเป็นยังไงเนาะเกิดในทิศทั้งสองคนอ้วนมันข้นแผ่ไปทั่วสรีราทั้งสิ้นคนผอมก็ติดอยู่ตามเนื้อแข้งเนื้อขาเนื้อท้องวิ่้นเนี่ยนะ เพราะว่ามันคนของคนอ้วนกับคนผอมมีต่างกันถ้าใครอ้วนเนี่ยมันค้นมีทั่วเลยร่างกายเนี่ยนะถ้าคนผอมก็คนผอมนี่มันค้อนจะน้อยถูกความหนาวหนาง่ายมากกว่าคนผอมนแล้วก็โดยโอกาสนะโดยปริเฉตเบื้องต่ํากําหนดที่เนื้อเบื้องบนกําหนดด้วยหนัง ด้านขวางกําหนดด้วยส่วนที่เป็นมันข้นเน่ยการกําหนดเช่นนี้เรียกเป็นสภาคาปริเขตทะแล้วก็กําหนดไม่ใช่การสามเอติหลือการสามเอี่เหลือไม่ใช่มันข้นเป็นวิสวาคะยี่สิบเจ็ดอัตสูน้ําตาน้ําตายังสามารถจามากําหนดได้นะเป็นอาโปธาที่ไหลออกจากตานะมีสีเหมือนน้ามันงาสันญานก็คือเหมือนที่มันตั้งอยู่อยู่ทิ่เบื้องบนนะโดยทิศโอกาสโดยตั้งอยู่ที่เบ้าตาแหละแต่ไม่ได้ขังอยู่ที่เบ้าตาทุกเมื่อเมื่อ น้ำไอ้น้ำดีในถุงน้ำดีต่อเมื่อเกิดสมสมมนัดมากโทมนัดมากร้องไห้คำตัวนี่นะก็หลายอย่างนะน้ำตาไหลเนี่ยน้ำตาร้อนก็ได้น้ำตาเย็นก็ได้น้ำตาร้อนเกิดจาโทมนัดใช่ไหมน้ำตาเย็นก็เกิดจากสมมนัดในนี่ที่เกิดจากกุศลทั้งหลายเนี่ยกินอาหารไปเผ็ดน้ําตาออกมาได้ไหมได้เนาะหาวมาง่วงน้ำตาไหลน้ำตาออกมาเรื่อย บางคนนั่งหาววัดวัดวัดแป๊บเดียวเดี๋ยวน้าตาก็ไหลออกมาแล้วเอาน้ําตานี่กําหนดยังไงเป็นปฏิกูลไหมน้ําตาเป็นของปฏิกูลงามหรือไม่งามน้ําตานี่ไม่งามเลยนะเนาะไอสัตว์ทุกจาพวกร้องไห้ได้หมดหรือเปล่าร้องได้หมดไนหะสุนักร้องไห้ได้ไหมได้เหมือนกะันนะน้ําตาก็ไหลเหมือนกันนะมีตาก็มีน้ําตาออกทนะั้งั้นก็เกิดจากการทำควรสมนัทโทมนัทอาหารอุดตู่เป็นต้นเหล่านี้เป็นปัจจัยให้น้ําตาออกมาทั้งนั้น ก็กำหนดส่วนที่เป็นน้านําตากําหนดเช่นนี้เป็นวิส เ, เป็นสภาคะแล้วก็กําหนดว่าไม่ใช่การสามเอทีหรือการสามเอทีเหลือก็ไม่ใช่น้ําตาก็เป็นวิสภาฆ่าวาสานี่มันเหลวมันเหลวเหมือนน้ามันมะพร้าวเนี่ยโดยเสียโดยสั่สนกระจายเหมือนน้ามันที่ลอยอยู่ในเนื้อน้ําใสเกิดในทิศทั้งสองคือเบื้องบนและเบื้องต่าโดยอากาศก็คือว่าส่วนมากตั้งอยู่ที่ฝ่ามือนะหลังมือฝ่าเท้าหลังเท้าปลายจมูกหน้าผากจะงอยบ่า แต่ไม่ได้ตั้งอยู่ในที่นั้ น, น, นทุกเมื่อต่อเมื่อวายวาส่วนนั้นร้อนขึ้นเพราะไฟแสงแดดอุตุแล้วก็ธาตุวิสภาคะมันก็จะซึมซาบมามันมันเป็ น, นมันเหลวเคยลกหน้าตัวเองแล้วมีมันออกไหมตามตัวตามหน้าตามจมูกตามหน้าผากใช่ไหมออกมาเรื่อยเลยใช่ไหมนี่ยมันเหลวก็พิจารณาบ่อยๆของไม่สะอาดไหลอ ย, อยู่เรื่อยๆพิจารณาอย่างนี้นะของปฏิกูลไหลออกมานี้จริงๆถ้าพิจารณาโดยธรรมดาไม่เอามาไข้ครวญก็ก็ได้นะก็สามารถทําให้ ใจนั้นเกิดสลดสังเวชแล้วก็พิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่งามเป็นต้นได้ยี่สิบเก้ากับน้ำลายน้ำลายออกทุกวันมีสีขาวเหมือนฟองน้ำนี่นแหละเป็นอพโพทาต์นะอยู่ในปากตั้งอยู่อ่ะโดยสัณฐานโดยทิศก็เกิดในทิศเบื้องบนเมื่อสัตว์เห็นหรือว่านึกอาหารที่น่าอร่อยน้ําลายไหลไหมเนี่ยเผ็ดเอ้ยเข็มเข็มเอ้ยเปรี้ยวเอ้ยหรือว่าเมื่อหัวใจอ่อนเพลียเกิดความหิวกระหายน้ําลายก็จะซึมที่กระพุ้งแก้มแนะ มาตั้งอยู่ที่โคน ล, ลิ้นที่ปลายลิ้นก็มีน้อยนั่นอาหารที่ใส่เข้าไปในปากชุ่มอยู่เสมอเหมือนบ่อน้ำที่ขุดไว้ใกล้หาดทะเลทรายน่เป็นจริงๆนะมีคนมากินมะขามใกล้ๆกินมะนาวน้ำลา ย, ลยไหลอยู่เรื่อยใช่แปลกดีจังนี่มันทำไมถึงมันไหลได้นคนพูดเรื่องของเปรี้ยวๆมันยังไหลเลยใช่หัหจ๊ะของเผ็ดก็ยังอยากจะไหลนั่นแหละ ที่ลองด้วยหน่อยที่อร่อยอร่อยย่ อ, อแล้วเดี๋ยวไหลเลยมันจะไปตั้งอยู่ระหว่างปลายลิ้นกับโคนลิ้นเนี่ยน้ําลายอยู่ตรงไหนเยอะโคนลิ้นหรือปลายลิ้นถ้าโคนลิ้นก็เป็นสีเหลืองๆเนาะถ้าปลายลิ้นก็สีใสๆเนาะถ้ากินอาหารเข้าไปไมันจะคอยชุ่มคอยทําให้ก็เป็นอย่างนั้นแหละมีเป็นอย่างงั้นน้ําลายไม่เคยรู้นะว่าพรธเจ้าสอนเรื่อน้ําลายที่เจรน า, นาดีกว่าเป็นของปฏิกูลเนาะ ในทางโลกเขาไม่ได้สอนกันแบบนี้นะจริงยอมเป็นพยาบาลเป็นอะไรนี่เขาสอนกันแบบนี้ไหมให้อภิจารณ า, านี่ไหมไม่มีเลยเนาะทางคําสอนของพุทธเจ้ามีสอนแบบเนี้ย่วนมากทางโลกเขาจะสอนในรัฐนกฐนะว่าเออเป็นประโยชน์ยังไงใช่ไหมเป็นประโยชน์ยังไงเพื่อช่วยทําให้อในลิ้นในปากนั้นเกิดความชุ่มชื้นยังไงเขาก็จะสอนอย่างนี้นแต่ถ้าทางคําสอนใช่อย่างนั้นช่วยได้อยู่แต่ท่านสอนในภิจารณารุกลงไปบอกว่าอันนี้เป็นของปฏิคูณนะ อาหารที่นั่นก็ไปไปเกลือกั่วไปผสมขึ้นมาแล้วดูหน้าขยะขยะหน้าน้ากิบเลอ่ะต่อมาก็คือน้ำมูกดูดิอาโปธาที่ไม่สะอาดไหลออกจากออกจากมันสมองส่วนมากมีสีเหมือนเยื่อเยื่อเยื่อจาวตา่างออไปพูดถึงตรงนี้นะโยมคนหนึ่งแกเป็นโรคไอไซนัทเนี่ยแกก็เล่าแล้วท้าอีกนะท้าที่วัดท่านก็เป็นหายใจไม่สะดวก รักษาทางโรงพยาบาลทางหมอโดยปกติธรรมดาทําไงก็ไม่หายนี่ก็มีหมอคอมเมนตวนะ่าไเอายาให้หยอดจมูกพอยอดเข้าไปแต่เ น, นี้ยโอ้ยมันไหลออกมายอมีคนหนึ่งตอนนี้เขาเอารักษาทางด้านสมุนไพรไหลออกมาเป็นเอเป็นถ้วยเลยอ่ะสีขาวไหลออกมาได้ไงไหลออมาไตหมดเหมือนไม่รู้จะเหมืนไงก็ว่าไงเหมือนในสมองนะั่นมันไหลออกมาก้นน่ะ มันไหลออกมาอย่างนั้นใ น, นกอโหเขาบอกว่าโอยเหมือนมากมันไหลออกมาใ น, นเหม็นจริงๆแ ล, ล้วพระที่วัดกมือนกันน่ะไหลามาเยอะเลยข้างหนึ่งเดี๋ยวนี้หายแล้วก็ว่าใส่จะไปรักลาข้างไม่กล้าเลยตอนะนี้ทั้งๆที่ค้างนึ่หายแล้วนะี่เป็นอยู่ทำไมไม่กล้าโอเจ็บทรมานมากก็ใส่ไปดินด้นๆดิ้นประปาดเก็่อยก็เรื่องแปลกเ ล, ล่าบางนี้โวกแปลกแล้วแล้วมีโรคอะไรรึมั้งในพวพูดถึงเรื่องตรเนี้ยที่มาเลเซีย ท่าที่ท่านมาอยู่ด้วยท่านไม่ใช่เป็นคนไทยนะท่านเรียนจบไป เ, เองเดี๋ยวตอนนี้ท่านไปดูแลอยู่ท่านจบบาลีใหญ่แล้วก็เรียนจบปะทอเล็กๆด้วยแล้วก็เรียนพิธามท่านมาอยู่เมืองไทยมาจนจะเป็นคนไทยไปแล้วมันไปศึกษาท่านก็เล่าไปปาอความวัหมุที่มาเลาเซียเออมันมีไอ้ข้อแปลกทาไมที่หัวมันเป็นไอ้มันเป็ น, ป, นปุ่มๆเลยด้วนเหนา เฮ้ยจริงๆเขไปเอ็กซเรย์เขาไปเจอหนอนตัวอย่า ง, งใหญ่ๆเลยมันเข้าไปได้ไงในในในใ น, ในสมองเต็มไปหมดต้องคีบออกมาตัวอย่างใหญ่ตัวขนาดนิ้วหัวนิ้วมืออยา่างเขาบอกนะแล้วก็ยังถ่ายให้ดูด้วยนะเขาไปถ่ายภาพของไอะไรทั้งเขาเปิดไอ้เว็บแล้วก็ถ่ายมาแล้วก็มาให้ดูเขียน น, น, น่ากลัวมากมันสัตว์อะไรนะันขึ้นไปกินมันสมองอห็น ไ, ไหมมันขึ้นไปได้ไงข้างในกระโหลกเลย กินในกระโหลกเลยเกินใ น, ในสมองเลยมนนมไม่ใช่อยู่ข้างบนเลยนะในสมองเลยนะหมอต้องผ่าสมองไปไปขี้ออกมาเลยที่แรกก็าเป็นโรคปวดหัวทําไงก็รักษาไม่หายอะไรก็ไม่หายเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยไปตรงกันในสมัยขั้นพุทธการนะที่ที่หมอชีวกโกมาราพัฒนเะน่ะหมอชีวกกมาราพัฒที่ผ่าศีรษะคนครั้งแรกอะ่ะหมอชีวกไม่ผ่าหมอยวกดูอาการเด็กเด็หมอยวก ไอ้ที่บอกว่าหมออีกคนนึงเขาทำนายบอกว่าจะตายภายในเจดวันเออจะตายภายในสามวันเนี่ยหมอจิวบอกว่าตายถูกทั้งคู่หมอ้องสองคนเนะี่ยเพราะมีไอ้หนอนอยู่สองตัวตัวใหญ่ถ้ากินสมองจะตายไปในสมวันในตัวเล็กจะตายในเจ็ดวันเนี่ยจะกินสมองอหมอชิอวเขาไปผ่าก็ไปคีบตัวหนอนนี่ออกมัไม่เคยคิดเลยว่าในยุคปัจจุบันนี่มันจะมีไอ้หนอนประเภทนี้เหมือนไอ้หมุนพญาธิเองดูแลนะนี่เป็นตัวอะไรตัวยังงูเนี่ยยั ง, ยงใหญ่ใหญ่เนี่ นั่นแหละคล้ายๆอย่างั้นแล้เข้าไปเจาะกินเจมเข้าไปอยู่ในกระโหลกศีรษะได้ยังไงก็เรื่องประหลาดมากมีมีร่างกายที่ไหนก็นไปติดตั้งอนหลงจริงนะน้ํามูกน้ํำมูกในโดยโอกาสก็คือเมื่อสัตว์ร้องไห้ธาตุกาเริบแสลงอาหารอากาศเปลี่ยนมันสมองที่เสียเป็นเสพเสื้อหมากก็ไหลซึมลงมาตามช่องเพดานมาขังอยู่เต็มโพรงจมูกเป็นน้ํามูกเหมือนห่อน ม, มส้มด้วยใบบัวแล้วก็เอาหนามแทงด้านล่าง นมส้มก็จะไหลลูกมาตามช่องที่ไหลไปทั้งจมูกเ อ, อแปลกนะเชื่อมโยงกับสมองเลยโดยปริเฉธากําหนดโดยส่วนที่เป็นน้ํามูกอันนี้ก็กําหนดโดยปริเฉทะแล้วก็วิสภาพะฆะก็ไม่เหมือนกับที่สามเอ็เดี่เหลือสามสอก็ลัติ ก, กาไขาข้ออันนี้ไขลื่นเป็นมันมีกลิ่นเหม็นเหม็นสาังมี ส, มสีเหมือนกับยาเหมือนกับยางดอกอนนัิกาโดยสันฐานก็เหมือนที่มันตั้งอยู่เกิดในที่ทั้งสองเนะ โดยกายก็คือไขข้อตั้งอยู่ทุกข้อกระดูกก็คือร้อยแปดแงนะซึมเยิมออยู่ตามข้อต่อไขข้อของผู้ใดมีน้อยก็จะลุกจะนั่งจะก้าวจะเดินจะถอยหน้าคู่เหยียดกระดูกก็จะลั่นดังกระตากกระตานี่นะเหมือนเสียงดีดนิ้วเมื่อเดินไกลๆเพียงสองสามโยดหนึ่งหรือถึงหนึ่งถึงสองโยดเนี 1, 3, 1, 2, 3, ย่ยนะ วายโยธาก็กำเริบเป็นทุกข์ลำบากทางกายผู้ใดมีมากกระดูกจะไม่มีเสียงดังจะลุกจะนั่งลงเป็นต้นก็คล่องตัววายโยธาก็ไม่กำเริบร่างกายก็ไม่เป็นทุกข์อาที่เราเป็นเป็ใครคล่องแคล่วบ้างร่างกายลุกเดินได้คล่องแคล่วก็บอกว่าน้ำไถข้อดีถ้ามันแห้งไปก็เริ่มลำบากจะลุกจะอะไรจะเจ็บจะปวดจะทรมานเริ่มเป็นกันแล้อยังเริ่มเป็นแล้วนะทำไงดีวิธีแก้น้ำไถข้อนี่เป็นสาจาัจจะอะไรเนี่ยเป็นทุกขสาจาัจจะนะ เป็นทุกก็กําหนดรอบรู้ต่อไปก็อย่าไปทํากรรมให้มีน้ําไข่ก้อนี่อย่าปราถนาใช่ไหมถ้าไปทํากรรมที่ปราถนาน้ําไข่ก้อนี่ก็ลําบากแล้วเอาสุดท้ายมุด ต, ตังน้ํามูกหมด แ, แล้วเดี๋นี้ยเร่งเกือบไม่จบแต่วันน้ํามูกมีสีเหมือนน้ําแช่ถั่วเหลืองเหมือนน้ําที่อยู่ในหม้อที่มีฝาปิดเกิดในทิดเบื้องต่ำแต่มุดน้ํามูน้ํา ม, มูดนะไม่ใช่ มุดตั้งน้ำมุดแปลว่าอะไรเนี่ยน้ําปัสสาวะนะตั้งอยู่ในกระเพาะปัสสาวะทางเข้าของน้ํามุดก็ไม่ปรากฏแต่ทางออกมันปรากฏเหมือนน้ําคั้มที่ซึมซาบไปในหม้อนะที่ปิดฝาแช่ไว้ในหมอ้อน้ำำําคั้มทางเข้าไม่ปรากฏฉะนั้นเมื่อน้ํามุดเต็มกระเพาะปัสสาวะก็จะปวดทะปัสสาวะทางออกก็จะปรากฏก็กําหนดในรักเมันแื่ตรงนี้ พอพูดถึงไงน้ำมูดหรือน้ำปัสสวาวะเนี่ยในคําสอนของอุไรเจ้าเนี่ยท้าทุกรูปเนี่ยเคยดื่มน้ําปัสสวาวะโดยส่วนมากน้ําปัสสวาวะฮะถ้าจะดื่มมันเป็นยาทีนี้กำหนดเปทีนี้มันมีอย่างนี้เลยนะอะน้ําปัสสวาวะเนี่ยมันมีโยมผู้หญิงอยู่คนนเขาออกอรายการ น, นานแล้วแกมาเล่าอีกฟังจะบอกว่าแกเป็นโรคมะเร็ง แกก็เอ๊ะทําไงก็ดื่มน้ำปัสสาวะเลยรักษาไงก็ไม่หายแล้วใช่ไหมก็เอาลนะเอานี่แหละปัสสาวะใส่แก้วก็ดื่มดื่มมาล้กี่แก้วไม่รู้แกดื่มดื่มดื่มดืต่อไปเอ๊ะอาการมันดีขึ้นจะเข้าจะเข้าไม่ดื่มอย่างเดียวแล้วผมแกมันล่วมเนี่ยดําก็ดำนะสาผมด้วยเอาล้างหน้าทานหน้าทาตัวด้วเดี๋ยวนี้หายแล้วก็เทาว่าดื่มยังไงก็ ปกตินี่ด้วยสูตรของเขานี่ยเขาให้เขาให้เขาัสวะไปสักพักนึงแล้วค่อยลองแล้วก็อย่าให้มันหมดใช่ไหยแล้วก็มาดื่มบ้างเขาบอกก็เอาทั้งหมดแล้วไม่มีเหลืออลไรเขบอกงั้นอโอ้โอ๋อมีนเป็นความเชื่อของแกนทีนี้ไอไอบางคนเป็นโรคต่างๆกันออกมานี่นะ น, น้ษษษําปัสสวะที่ดื่มก็จะมีกลิ่นต่างกันสิ <laughs> ถ้ามันเกิดว่ามันเค็มเกินไปนี่นะก็ต้องเชียร์จางกันน้ําหน่อยวิธีดื่มนะ อันนี้อันนี้พูดจริงนะไม่ใช่พูดเล่นนะมันช่ว ย, วยได้เยอะเดี๋ยวอาจารย์สอนทํามมาเลยมาสอนเลย ท, ทีนี้ในคําสอนพระพุทธเจ้าคืนา้นน้ํำมูลเน่าไงพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะน้าาําปัสวะต่างๆที่แช่กระสมอเป็นยาดึงสมัยก่อนเยอะไปนี้ยก็จะรักษาทีนี้ตามในวงการแพทย์แผนไทยเขาก็จะบอกว่าปกติร่างกา ย, นยในน้ำปาาัสวะมันก็จะมีอะ สิ่งที่มันไม่ดีครับไทยมาทีนี้ถ้ามนุษย์เราดื่มก็ไปพววในร่างกายมันก็จะสร้างภูมิต้านทานมาต่อสานเะข้าใจไหนั่นเข้านั่งเข้าในร่างกายทุกส่วนก็จะเริ่มต่อสานมันจะเริ่มทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นโดยสูตรนั้นอย่างนั้นแนหะมีอะไรไม่มีอะไรทิสดาษไม่แน่ยนทะี่พู ด, พดอาจจะมีคนสนใจก็ได้ทดลอง <c oughs> ช่วยน ะ, ะตรงนี้ก็สรุปตรงนี้นะในการ 3.2 ยังไม่ทันจบหรอกนะก็เอตรงนี้อยากจะสรุปในคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ฟังว่า ในการศึกษาคําสอนเนี่ยนะสิ่งที่สิ่งที่อยากให้เราทั้งหลายเนี่ยได้ได้ได้เจริญก็คือว่าคืออย่างนี้เกี่ยวในเรื่องว่าเกี่ยวกับในเรื่องของการเจริญเกี่ยวในเรื่องของในเรื่องของพระพระห้าก็มีศรัทธาพระเป็นต้นใช่ไหมศรัทธาวิ ร, ยริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญาทีนี้ในศรัทธาพระเนี่ยนะท่านจําแนกเป็นสอง เป็นศรัทธาแบบปกติกับศรัทธาที่เกิดขึ้นกับในขณะที่เจริญสมถะและก็วิปัสสนาใช่ไหมวิริยะสติสมาธิและปัญญาก็มีสองประการไม่ไงศรัทธาที่เกิดขึ้นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นเป็นปกติในชีวิตอย่างเราๆเนี่ยที่มันไม่ได้มีกําลังอะไรอะไรมากมายเลยใช่ไหมกับศรัทธาวิริยะสติสมาธิที่เกิดขึ้นในขณะที่เจริญสมถะและเจริญวิปัสสนาไม่ใชต่างกันใช่ไหม นั้นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่ไม่มีกําลังเนี่ะที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแบบธรรมดาเนี่ยอันนี้ไม่มีผลมากให่สังเกต ด, ดูนะว่าบางวั น, น่ะเราก็มีศรัทธามากบางวันก็มีศรัทธาน้อยเป็นเรื่องปกติอย่างนี้เลยในชีวิตนะนะโดยส่วนมากไม่ค่อยมีทีนี้ท่านสรุปไว้อย่างนี้บอกว่าในกลุ่มของคําสอนเนี่ยตัณหาเป็นปฏิปักษ์ต่อศรัทธาพละ โกศชา้าคือความเกลียดค้านความไม่อดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและการไม่กล้าปล่อยจิตไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มที่อันนี้เป็นปฏิบักษ์ต่อวิ ร, ยริยะพละเออพูดถึงว่ า, ว, า, ว, า, าว่าความเกลียดค้านเนี่ยนะความไม่อดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยเมือ่อยล้าและการไม่กล้าปล่อยจิตเป็นไหมที่ไม่กล้าปล่อยจิตไปสู่การปฏิบัติให้ตเต็มที่เราเป็นกันบ่อยไหมเนี่ยเขาเรียกว่าขาดอะไรเป็นวิริยะธรรมดา วิริยะถ้าตเตินวิริยะที่มันเข้าถึงภาวนาเนี่ยนะไอ้ตัววิริยะมันกล้ากล้าที่จะปล่อยจิตคือมีความกล้าที่จะปล่อยจิตเข้าสู่การปฏิบัติที่เต็มที่อันนี้เราไม่มีเลยใช่ไหมศรัทธาก็เหมือนกันไอ้ศรัทธาเนี่ยไอ้กลุ่มตัณหามันมากความอยากความต้องการความยินดีความเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นมันมากมันเลยเป็นปฏิบัติต่อศรัทธาด้วยมันก็ทําให้ศรัทธาน้อย ไอโกสัชฉามันมากความเกียดติค้านั้นมากใช่ไหมมันก็เลยไปเป็นปฏิปักษ์ต่อวิยะไอภะละมันก็ไม่เกิดประการกลุ่มที่สามก็คือมุธธตถสติแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าความหลงลืมสติเป็นปฏิปักษ์ต่อสติภะละกลุ่มที่สี่ก็คือวิเข ป, ปะแปลว่าอะไรอ่ะวิเข ป, ปะแปลว่าอะไรแปลว่าความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเป็นปฏิปักษ์ต่ออะไร ต่อสมาธิภะละแล้วกลุ่มที่ห้าก็คือสัมโมหะคือความร่มหลงนี้เป็นปฏิปปต่อปัญญาภะละนี่ถ้าหากว่าเรียกทำห้าอย่างสามารถกําจัดกลุ่มอกุศลธรรมเหล่านั้นว่าภะละในในพระธรรมให้ก็บ่าถ้าพะละธรรมมันหนึ่งมีกําลังน้อยก็จะไม่มีกําลังที่จะสามารถทําลายปฏิบปปกระทธรรมบรดหนึ่งได้เพราะเหตุนั้นเราว่าพวกกลุ่มในญาติบุคคลเนี่ย จึงไม่สามารถจเจริญสมาธาวิปัสสนาเกิดขึ้นได้อย่างกว้างขวางและพิสดารฉะนั้นคนบางคนในสมัยเนี้บางคนมีศรัทธาดีจนสามารถออกจากกลุ่มตัณหาได้ก็เป็นผู้ที่ไม่เยื่อใยในปัจจัยไม่เยื่อใยในอามิ t h เกียรติยศชื่อเสียงเคือไตัวศรัทธามันดีอย่างเดียวใช่ไหมเคยสังเกตุไหมคนบางคนเนี่ยไม่ยินดีในในเกียรติยศในชื่อเสียงในต่างๆไม่ยินดีเพราะศรัทธาดี ตัณหาก่นน้อยลงเพราะศรัทธามันมากในนี้ศนระัทธามันจะไปข่มใช่ไหมมันเป็นปฏิปักษต่อตัณหาทีนี้พอตัณหามันน้อยไอความยินดีพอใจในอามิตในยศในเกียรติยศชื่อเสียงก็ค่อยน้อยไปด้วยแต่ไม่สามารถจะก้าวสู่ความสำส ด, ดได้เพราะไอสี่ตัววิริยะสติสมาธิปัญญามันน้อยมันมากในยศรัทธาอย่างเดียวเข้าใจใช่ไหมมันมีศรัทธา ม, มากอย่างเดียวบุคคลบางคนมีศรัทธาพระดี และวิริยะภาละกะด็ดีจนสามารถออกจากกลุ่มของตัณหาได้ออกจากความเกียดตทานได้อุปยยนพยายา ม, มากถ้าเป็นพระก็ประเภทที่อาศัยอยู่ตามป่าเขาเลยว่าไม่เน้ น, นสันโดดสามารถสมาทานทุดรงก็จะประพฤติปฏิบัติต่างๆเป็นต้นก็ด้แต่เพราะเขายังมีทำอีกห้าอีกสามอย่างสติสมาธิและปัญญาใช่ไหมมันน้อยอยู่ เขาก็ไม่สามารถที่จะเจริญกายคตาสติที่เราเรียนกันเนี่ยหรือเจริญสมถะอวิปัสนาได้ใช่ไหมเพราะมีแค่ศรัทธากับวิรยิยะสติสมาธิปัญญามันน้อยนี่นี่คือกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามคนบางคนเป็นคนที่เจริญพระหธรรมสามอย่างข้างต้นเนียดีมากศรัทธาก็ดีวิริยาก็ดีสติก็ดีพวกเนี้ยเขาเจริญกายคตาสติได้เจริญอาณาปณะากายคตาที่เราศึกษากันเยี่ได้อาการสามสองไ แต่เพราะอะไรเพราะเขาขาดพละธรรมอีกสองยา่างคือพละธรรมสองอย่างที่ดีกำลังน้อยอยู่จึงไม่เข้าสู่ยานคือวิปัสสนาได้เห็นไหมเขาก็ได้แค่สตาวิทยาสติประเภทที่ 4. สี่สตาวิทยาสติสมาธิดี B. กลุ่มเนี้ยได้อุปจาระสมาธิได้อัน า, าสมาธิแต่เขาขาดอะไรขาดปัญญาไม่สามารถขึ้นสู่วิปัสสนาได้เข้าใจไหม เพราะศรัทธาได้วิริยะได้สติได้สมาธิได้แต่ปัญญาไม่แข็งแรงเพราเจริญนิปัสนาไม่ได้เยอะพวกฤษีชีภัยทั้งหลายเนี่ยที่เขาได้ฌานสมาบัติหรือกลุ่มที่ในประพฤติปฏิบัติแล้วตั้งมั่นเขาดีมากแต่แต่เขาขาดปัญญาเขาก้าวสู่วิปัสนาไม่ได้ทีนี้บุคคลบางคนมีปัญญาพระดีเป็นผู้เชี่ยวชาญชานาญในปริญญานาญในปรมัตธรรมโดยบุคคล เพราะความที่เขามีพระธรรมสี่อย่างข้างต้นมีกําลังน้อยจนไม่สามารถเดินออกจากดินแดนแห่งโกศะเดินออกจากความฟุ้งซ่านเดินออกจากความหลงลืมสติเดินออกจากความหล ง, ล ด, ออลงดินแดนแห่งความหลงย่อมตายอยู่กับดินแดนแห่งสัณหาเป็นต้นนั่นเองฉะนั้นถ้าพระธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งบกพ่องไม่สามารถจะหลุดพ้นจากปฏิปปคธรรมใช่ไหมก็แปลว่าถ้าศรัทธา ไม่แข็งแรงออกจากตัณหาไม่ได้ถ้าวิริยะไม่แข็งแรงออกจากโกสัชชะไม่ได้ถ้าสติไม่แข็งแรงออกจากมุตตสติคือความหลงเนี่ยหลงลืมสติถ้าสมาธิไม่แข็งแรงก็ออกจากความฟุง้งซ่านไม่ได้ถ้าปัญญาไม่แข็งแรงก็ออกจากสัมโมหะคือความหลงความโง่เลยมองเห็นอย่างว่าจริงๆการเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยต้องพยายามเจริญ อินทรีย์ให้เป็นพระธรรมให้ไะให้เป็นธรรมะที่มีกำลังให้แข็งแรงให้ได้แล้วจะขวนขวายแล้วออกจากวัฏจุกได้อันนี้ก็ฝากคำสอนของพระเจ้าไว้เอาไปเจริญกันนะเอาไปอบรมนะต่อไปส่วนบนาาาหนึ่ง วิชาเจรนาสัมปัญโยตุคโตโลอานุจารัวภูริจดามสาริสัตตาเดวมนุ ภวตธรรมโมสันติทิโอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกทะเวทิตาโวินยูทิสุปัิินโนภะคะวะโตะวะสัง อุชุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกวาตาสันยะปาติปันโนภาคาวะโตสาวะวาตทีันปิปันโนภาคาวะโตสาวกว a ตสั ยาที่ทงจัดตาเร่โพเรสายุคานิอาศัตต์ว่าตาสามโคอาหูนายโยอาหูนายโยคา อนุชาังปุญญาเอตังโลกาสัตติต่อไปเดี๋ยวอุทิศส่วนกุศลให้นะเวลานะ้อยสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจองมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำนะบัดนี้ และบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วคือจะเป็นสัตว์เราใดซึ่ง เ, เ, เป็นที่รักให้และมีบุญคุ ณ, ม, คณมีมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือนี่ได้เห็นก็ดี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 กำลังท่องเที่ยวอยู่ในวกน้อยใหญ่ก็ดีศัพท์เราได้รู้ส่วนบุญที่พระพเจ้าแผ่ให้แล้วขอศัพท์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถอส่วนศัพท์เราใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยพะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญ ท, ที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวร อ, อยู่เป็นสุขทุกเมื่อนจนถึงพระนิพพา น, านความปรารถนาที่ดีงาม ของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถอสาธุสาธุสาธุอะระหังตัมมาตัมบุโถทา้ทาคารวาาาัวานท้าคารวันตานาทิวา สาวโตภะวะตนะโมธรรมะสัง you know ุคต you know. ิปันโนภะคะวะโตสาวาสังโฆสามัค